พะขาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะพะขาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะพะขาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัค ทังสรนังขจฉามิธรามังสรนังขจฉามิสังขังสรนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจฉามิ ติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังฆัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ อติยัมปิธรรมังสรนังขจามิอติยัมปิสังคังสรนังขจามิติรณะมังนิทิตตัง จเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคลมสองพัน้ายห้าบเจ็ดขึ้นสสี่ค่ำเดือนส1บอดปีมามีอาพรุ่งนี้ก็เป็นวันบ้องไฟพญายนาคท่านจะออกท่านจะขึ้นเขาก็ว่ากันยั ง, ง้น ที่น้องคายนี่ตอนนี้ก็จองที่จองทางกันแล้วะจะนั่งดูบั่งไฟพญชนค ก, กั น, นจนป่านนี้ก็ยังไม่พิสูจน์กันยังพิสูจน์ก็ไม่ได้ว่ามันบั่งไฟพยัญายนะนี่ทําไมพ ย, ยัญชนะถึงถึงมีบั่งไฟแบบนี้นแล้วก็มีทุกปีทุกปีทุกปีกปเออก็ได้ดูกันทุกปีเหมือนกันนะมันก็ดีเหมือนกัน ก็ว่ากันไปนะจะเป็นจริงอย่างไรแม้จะมีพญานาคเป็นตัวพญานาคที่มีงอนมีลำยาวๆเหมือนงูตัวยาวอะไรเนี่ยอยู่ใต้ท้องน้ําที่จริงพญานาคหน้าจะไปอยู่ในแม่น้ําที่ใหญ่กึ้นแม่น้ําขงอีกหน้าไปอยู่แม่น้ําหงโ h ห, หรือไปอยู่ในแม่น้ําอะไรแม่น้ํา ทางตะวันตกเขาเป็นน้ําใหญ่ที่สุดในโลกอเออพยนนานาคไม่อยู่ทําไมเป็นน้าเล็กๆแค่เป็นน้ำโคงไม่ได้เป็นน้ําใหญ่ของโลกเขาหนะาในน้ํำใหญ่ๆของโลกเขามีทั้งหลายสายอเอาเถอะนานันก็เป็นเรื่องความเชื่อถือจริงๆแล้วความเชื่อถือเนี่ยมันมีความสําคัญ ความเชื่อถือนี่มีความสำคัญถ้าเราเชื่อถือผิดเราก็ไม่เป็นสุขแล้วก็อยู่ไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีเชือ่อถือในสิ่งที่ผิดถ้าเชื่อถือในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่า นะสิ่งที่มันเป็นจริงได้สําคัญก็คือสิ่งที่มันเป็นจริงได้นะเป็นจริงได้แล้วก็มีคุณค่านะมีคุณค่ามีประโยชน์แท้ๆจริงๆโดยเฉพาะมีประโยชน์ที่ลึกซึ้งมากเช่นเรียกว่าประโยชน์ตน และก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นอัตถะประโยชน์ตนปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นทีนี้ผู้ที่คนพบประโยชน์ตนที่ถูกต้องประโยชน์ตนที่วิเศษประโยชน์ตนที่เหนือชั้นกว่าคนคิด คนเราคิดประโยชน์ตนก็คือได้วัตถุได้ลาภได้อํานาจได้ยศชั้นสเสริญหรือได้เสพสุขเสพสมใจบำบัดบำเรอกิเลสกิเลสกามกิเลสอัตตาได้รับบำเรอกิเลสนั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็เป็นเช่นนั้น นในโลกีก็คิดกันเช่นนั้นอย่างดีเขาก็บอกว่าให้สุดจริตจะได้ลาบมาก็สุดจริตยาไปทุจริตจะได้อำนาจยศศักดิ์มาอะไรมาก็สุดจริตลวกันจะได้สรรเสริญเยนยออได้ก็สุดจริตได้เสกกลางก็สุดจริตจะมีอตตกอตตาอะไรก็สุดจริตยิ่งอัตตาแล้วเขายิ่งไม่รู้เรื่องน่ะ ศาสนาใดๆก็ไม่มีรู้เรื่องเราเรื่องอัตตาแม้แต่ศาสนาพุทธทุกวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเรื่องอัตตาตั้งแี่เป็นศาสนาที่พระพาาุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพราะประโยชน์ตนที่เขาเข้าใจกันทั่วไปจึงเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องที่กลับเตละปะดับ ทวนกระแสกันกับที่วระเจ้าท่านจัดสรู้ว่าไอ้ประโยชน์ตนอย่างนั้นมันไปนกระทบมันไปแย่งชิงมันไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นคนที่ไปเห็นประโยชน์ตน จ, จะต้องได้ลาบยศ ส, สันสญไม่เสพกามไม้เสพอัตตาอะไรมากๆแล้วก็ติดมากๆแล้วก็สะสม ได้มากๆได้มากๆ ม, มีมากๆในลาภในยศในสันเสริญในสุขทางกามทางอัตตานี่แหละยิ่งได้มากยิ่งเบียดเบียนผู้อื่นยิ่งไปขูดรียดยิ่งไปเอาเปรียบยิ่งไปทำรายผู้อื่นมากยิ่งขึ้นประโยชน์ตนแบบนั้นพระริจเจ้าในตรัสรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจน จึงเห็นว่าประโยชน์ตนอย่างนั้นน่ะมันกลับตลบปาดันมันเป็นเป็นประโยชน์ที่เลวร้ายที่สุดไม่เอาเลยได้เลยไม่ต้องไปเอามาเป็นประโยชน์ตัวในเรื่องลาบยศสันเสริญสุขพวกนี้เลยได้หมดสุดยอดเป็นประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นจะล้างออกละออกไปตามลาดับตามลาดับตามลำดับนะละลางความยึดความ ความยุดความติดความไม่เอาความไม่ต้องเป็นมีสิ่งเหล่านั้นมาให้ตนมาบำเรอตนไม่ต้องไปแย่งใครได้สุดยอดความคิดที่แบบนี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่คิดได้คนอื่นก็คิดได้ศาสนาอื่นจึงเขาคิดได้เขาก็ไม่เอาเหมือนกันจึงมีศาสนาทิ้ง ทิ้งกันดื้อเลยทิ้งลาบทิ้งยศทิ้งสรรเสริญทิ้งกามทิ้งอะไรทิ้งหาทางที่ให้จิตมันไม่เอาให้จิตมันเลิกมันราทิ้งทิ้งทิหนีทิ้งนี่เป็นศาสนาที่เข้าใจได้ว่าคนเราถ้าไปประเวณยุดติดอย่างอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่นะมันเป็นเป็นภาระและเป็นบาปเป็นเรื่องที่เลวร้ายทําร้ายผู้อื่น จึงทิ้งทิ้งจริงจริงหนีเลยหนีทิ้งไปเลยนั่นจะเป็นศาสนาที่เข้าใจได้และก็ทำทำกันอยู่หาวิธีทุกวิธีก็หลากหลายวิธีหลายศาสดาที่ทิ้งจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่อเข้าใจกันได้ไม่ยากหรอกอเข้าใจกันได้ไม่ยากง่าย ระนาบเดียวชั้นเดียวทิ้งนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งกว่านั้นท่านว่าเอจจะทิ้งจะวางจะปล่อยจะเลิกจะไม่เอาเนี่ยมันอยู่ที่จิตจิตเอาหรือไม่เอามีแล้วเราไม่เอาและเราก็รู้ความจําเป็นของสังคมอีกอรู้ความจําเป็นถ้าเราจะอยู่แล้วการเป็นอยู่ก็ยังมีสังคมอีก เราก็มีสังคมข้างนอกเขาก็มีสังคมพระการมีสังคมที่ไม่เอาแล้วก็ให้นอาจากไม่เอาแล้วให้แต่ให้ก็ต้องให้อย่างที่เราเองเราก็ต้องมีอยู่บ้างมีทั้งที่เราใช้อาศัยอาศัยในชีวิตเรา มีทั้งที่เหลือมากเกินแล้วก็แจกจ่ายเจือจานผู้อื่นเพราะจะมีก็ต้องสุดจริตบริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนใครมามีต้องมีกันเองสร้างกันเองทำกันขึ้นมาเองเลยโดยสุดจริตที่สุดเสร็จแล้วเราก็มามี มีแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้จักจิตที่มันมีแล้วก็มีแล้วก็สะสมว่าเป็นของเราของเราของเราเราไม่ได้เป็นแย่งของใครนี่ก็สุดจริตอยู่แล้วไม่รู้จักขีดของความพออาศัยพอกินใช้พอหรือมีเกื้อกูลในพวกกันเองกลุ่มมูกันเองเพียงพอ เหลือๆส่วนเหลือส่วนเกินก็เพื่อแพ่ผู้อื่นเจือจานผู้อื่นให้แก่ผู้อื่นแล้วก็รู้ความจริงอีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้อื่นนี่แหละคนอื่นนี่แหละมันมีกิเลสและคนที่ไม่เรียนรู้เพื่อจะละ ก, กิเลสนนมีมาก คนที่ไม่เรียนรู้จะละ ก, กิเลสมีมากนอกจากไม่ละ ก, กิเลสแล้วเพิ่มกิเลสให้มันมากขึ้นหนาขึ้นหนักขึ้นทุกวันด้วยนี่เป็นอัตราของความเป็นจริงอัตราของสัจจะที่เป็นอัตราเกิดอยู่ในมนุษย์ชาติเพราะก็รู้ความจริงอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้และเราก็ไปแย่งแย่งไอ้คนที่มันมีกิเลสแล้วกิเลสมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ มีศัตรูแล้วก็อยู่ยากมีศัตรูอยู่ยากสร้างสรรค์ก็ยากอะไรก็ยากเพราะฉะนั้นความซับซ้อนที่ซับซ้อนหลายชั้นพวกนี้แหละจึงเป็นความรู้ที่ที่อาตมาพูดไปนี้ไม่ได้ซับซ้อนหลายชั้นเท่าไรที่พูดเป็นตัวอย่างที่พูดไปครั้งครั้งมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกเยอะของสังคมมนุษย์ศาติ เพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีความคิดว่าเมื่อทิ้งคนนี้ไปอย่างดูสีที่นีออกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องค้องอะไรอยู่กับตัวเองจิตอยู่กับตัวเองอย่าเอาจิตออกนอกตัวไปเลยแล้วก็นั่งสะกดจิตป้ายให้หยุดนิ่งให้ไม่ต้องไปคิดไปนึกอะไรไอย่างไรชีวิตก็ฝากไว้กับบินทบาทหรือให้คนเอามาให้กินแล้วก็จบมันวันยังอยู่ไปแล้วก็ถึง วันตายก็ตายศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ทุกวันนี้เข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นลักษณะนั้นอันนี้แหละที่เป็นภาระที่เราจะต้องมาพิสูจน์ความจริงของศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยที่เราคิด ที่เราเข้าใจโดยจะบอกอาตมานี่แหละเป็นตัวตัวการใหญ่จะบอกพุดธไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจเชื่อถือเพราะอาตมาถึงมาพูดทวนกระแสกับเขาราษฎสภาพุดธไม่หนีออกป่าออกเขาออกถ้ำอะไรมีหลักฐานยืนยันมากมายจึงเริ่มตั้งแต่อาตมาออกมาทำงานก็เลยมา เปิดเผออย่างนี้ยืนยันอย่างนี้จนมีผู้เห็นผู้เข้าใจเห็นเอออย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่ก็ค่อยๆทยอยมานะมาๆแล้วก็บอกอาตมาก็อธิบายหลักหลักธรรมหลักการหลักสูตรทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พิสูจน์กันปฏิบัติกันจนกระทั่งได้มีผลเห็นจริง จนกลายเป็นกลุ่มชาวโศกกลุ่มมนุษย์ก็คือการพยายามพยายามอธิบายที่สรุปเป็นภาษาวสันค่าสร้างคนสรุปเป็นภาษาวสันค่าสร้างคนก็คือแจ้งหรืออธิบายแล้วก็เอาหลักธรรมบุตรเจ้านำะมาขยายความ เอามายืนยันว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้แนวคิดของาศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ให้คนมาเป็นคนอย่างนี้อาริยะเป็นอย่างนี้โล ก, กุตระเป็นอย่างนี้บรรลุธรรมบรรลุเจ้าเป็นอย่างนี้หลักธรรมของท่านยังดีอยู่อแตมาทำอธิบายกันไปด้วยซึ่งมันเลือนมันเลือนมันเลอะมันไม่เข้าแนวของพระเจ้าอธิบายไว้มากกว่ามาก อาตมาต้องมาดึงกลับมาอธิบายโอ้โหแยงกับเขาแยงกับกระแสหลักแยงกัาที่เ้าเรียนกันแล้วก็เผยแพร่ ก, กันแล้วก็ถือกันเป็นคัมภีร์ไปตามที่เ้าอธิบายกันนะคัมภีร์นี่แต่ก็ยังดีที่มีคัมภีร์จริงคือพระไตรปิฎกนะอาตมาก็เอาอันนั้นมาอธิบายตามนัยยะที่อาตมา เห็นจริงว่าเป็นเช่นั้นเชนั้นเช่นั้นจนทุกวันนี้ก็พอไปได้จนกระทั่งเกิดสังคมเป็นชุมชนที่อาตมาถือว่าเข้มแข็งแล้วแต่เข้มแข็งเล็กๆในๆเข้มแข็งต้นเล็กๆไม่ใช่ต้นใหญ่แต่ต้นแข็งนะเป็นต้นอโศกในๆ ต้นน้อยๆแต่แข็งอัตมาถือว่าแข็งเข้มแข็งมันมีนัยยะของมันอย่างนั้นอย่างจริงๆมันแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะเป็นสัจธรรมของพุทธเจ้าว่ามันมีนิจจังทุวังสัตตังอวิปนิจังทวังสัตตังอวิปริณามะธรรมังสังฮิรังสังกุปัง มันมีความเที่ยงแท้มันมีความยั่งยืนมันต่อเนื่องกันไปได้ตลอดสัตตังมันไม่เปลี่ยนแปลงคงที่คงเที่ยงไปไปอะไรหักล้างไม่ได้หักล้างยากมันอยู่ในขั้นนั้นแล้วตอนนี้แม้จะเล็กๆน้อยๆเงี้ยอันนี้อาตมายิ่งทำให้อาตมาเห็นว่า สิ่งนี้มันเป็นจริงมันเป็นสิ่งจริงของพระเจ้าที่พิสูจน์ได้อย่างแรกที่สุดอาตมาก็ที่ตัวเองตัวเองมีนิจังทุว่วงสัสตสังอวิปริณามธรรมมังอสังยิรางสังคุปังของตัวเองไหมอาตมาก็รู้สภาวะอันนี้ของตนเองโลกกระทำคืออะไรลาภยศสั่นเริญกามตัณหาอัตตาอะไรต่างๆมันคืออะไรเราก็รู้สภาวะมัน เราเองเนี่ยเราเองเคยอยากได้อยากมีสะสมแย่งชิงหลาบยศส้นเสรินโลกรีสุขอะไ ร, ะ ร, าารพวกนี้แล้วทำมาอาการบางนั้นเราก็ผ่านมาจริงๆริงพอเวลาเราไม่เอาเราเห็นจริงแล้วเราบรรลุธรรมมาเงินเถอะเราก็เห็นจริงว่าเราไม่ไม่จิตใจของเรามันไม่มีอาการอย่างนั้นเหมือนเก่ามันไม่มีเหมือนเก่า มันไม่เอาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เดือดอร้อนอะไรไม่เดือดร้อนอะไรยิ่งมาเป็นสังคมกลุ่มยิ่งพึ่งพากันได้ช่วยเหลือกันไปคนละแง่คนละมุมกลายเป็นสังคมชุมชนที่มีงานมีวงจรของชีวิตสังคมยุคนี้จะต้องพึ่งตนเอง โดยหลายๆด้านที่เราจะต้องอยู่กับสังคมเขาไม่ได้ไม่ได้ดูด้อยไม่ได้ดูน้อยหน้าไม่ได้ดูเป็นคนป่าคนเถื่อนอะไรเกินการเลยจะบอกว่าทัานสมัยก็ทันเป็นสังคมที่ทันสมัยไม่ใช่สังคมตกรุ่นตกยุคตกสมัยแล้วรู้สมัยรู้ความพอเหมาะพอดีของตนเองอย่าง มีนายะสำคัญที่ตามหลักแกนุญเจ้าด้วยคือมักน้อยไม่ต้องไปมีมากๆไม่ต้องไปอยากได้อะไรมากๆมีมากๆไม่มากมานี่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าพอไอ้จิตที่มันพอนี่นะผู้ที่มีภูมิปัญญาแล้วก็มีสภาวะจริงของจิตพอ เป็นสันตุทีธรรมเนี่ยมีจิตตัวนี้จริงๆ จ, จะรู้เองรู้ด้วยตัวเออจิตเราพอพอจริงๆมันไม่ดีติ้นอะไรอีกเลยอยู่อายุอะไรอะไขึ้นไปอีกกั็ไม่ละพระอ่านจิตใจพอนี้พรรู้จ้าท่านตรัสไปแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคํามันมีสภาวะที่เป็นสัจธรรมที่เป็นปรมัตธรรมเป็นต ร, รมะที่เยี่ยมยอดจริงยิ่งยอด ปรมามตธรรมธรรมะที่เยี่ยมยอดจริงยอดอานการพวกนี้จะจะอปิชฌสันตุติซึ่งเป็นภาษาหลักสองคําเนี่ยเป็นภาษาหลักเป็นภาษาหลักภาษาหลักห้าคำของพรุทธเจ้าก็คืออปิจฌสันตุติปวิเวกอสังสักวิริยารัำพะนี่เป็นภาษาหลัก อภิชะมันจิตมันน้อยอ่ะมันมากน้อยมันไม่มากมากจริงๆนะและมันมีนัยยะสําคัญนะมันมากน้อยแต่มันขยันมันสร้างสรรค์มีมากสร้างสรรค์ได้มากเออมันมันข้านแย่งในตัวมันเองอ่ะมันเป็นคนมากน้อยคิดตัวเองเนี่ยเอามาเป็นของตนสะสมมาเป็นตนน้อย แต่มีปัญญาร่้ว่าเอ๊ะถ้าจะสร้างมากๆขยันมากๆมีสมรรถนะดีๆสูงๆสร้างในเก่งสร้างได้มากสร้างในคุณภาพดีด้วยไม่เห็นจะเสียหายอะไรมันก็เกิดสิ่งที่สร้างสิ่งที่ผลิตแล้วก็รู้ว่าค ว, ควรจะสร้างอะไรเป็นของดีเป็นของไม่มอมเอาเป็นของที่เป็นประโยชน์อันควรเหมาะสมในยุคในสมัยที่ดี คือมีภูมิปัญญามีความเฉลียวฉลาดรู้ความเป็นจริงของสังคมแบบนี้ด้วยและเราก็สร้างบางทีบางอย่างเราไม่ถนัดเราก็สร้างไม่ได้บางอย่างก็ดีแต่ว่าเราสร้างไม่ได้เราไ ม, ไม่ไม่ถนัดเราไม่เป็นไม้มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างแต่ดีเราก็ไม่ไม่ได้ทาแต่สิ่งที่มันดีมันถนัดมันทําได้เราก็ทํา ยิ่งอะไรเป็นปัจจัยของชีวิตด้วยโอ้อันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ทำได้ด้วยเราก็ทำได้ตลอดกาลนานเลยอย่างปัจจัยสี่นี่เป็นต้นหรือเครื่องอาศัยบริการที่สำคัญสำคัญในยุคนี้เช่นสื่อสารนี่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วอุปกรณ์ในการสื่อสารซึ่งเราทุกวันนี้ก็ยังสร้างไม่เก่งนะ ยังสร้างไม่เคยได้นะอุปกรณ์การสื่อสารโอ้โหถ้าเราสร้างอุปกรณ์การสื่อสารได้ดีมีความรู้ทางวิศวะได้ดีโอ้โหจะเจ๋อเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่เคยเป็นเราก็เอาทางกสิกรรมก่อนถ้าอุตสาหกรรมยังไม่เก่งก็ไม่เป็นไรต่อไปก็น่าจะพอเป็นไปได้อุตสาหกรรมวิศวกรรมแต่ทุกวันนี้เราได้ทาง อันนี้นะเท่ากักสิกรรมเนี่ยมันเยี่ยมยอดละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์มันกินได้อาศัยได้มีอันนี้เท่านั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาละชีวิตอยู่รอดละมีกสิกรรมกินอยู่ใช้สอยเป็นไม่ว่าจะคนตะวันตกตะวันออกคนที่ไหนมุมไหนของโลกอาศัยได้หมดอันนี้กสิกรรมเนี่ย ต่อให้มนุษย์ไม่ค่อยกินพืชแล้วไม่มีพืชจะกินขั้วโลกเหนือมีแต่น้ำแข็งไม่มีพืชไม่มีผักอะไรเลยกินแต่เนื้อสัตว์อะไรก็ตามมากินพืชเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่มีเนื้อสัตว์ให้กินกินแตพ่พืชก็อยู่ได้เกสิกรรมเนี่ยพระเจ้าตมาจึงยามาชาอาส่งนี่เป็นนักกสิกรรม เอาให้ถนัดเลยเอาให้เป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยสร้างในเก่งสร้างในดีสร้างในจนกระทั่งมีทั้งคุณภาพมีทั้งปริมาณที่เหลือเฟือแจกจ่ายจือจานไปทั่วโลกเลยให้มันได้อย่างนั้นเลยนะ ชุมชนของเราเข้มแข็งมันมีลักษณะเข้มแข็งที่อาตมาเกริ่นไปแล้วนั้นลองเปิดไปดูหน้าส1่บอนสันค่าสร้างคนลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง14บประการหนึ่งเป็นสังคมที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีลมีคุณธรรม มีอาริยธรรมจริงๆแล้วมันก็แยกขอ้อใดอีกเยอะแต่ว่ารวมไว้มีศีลสังคมที่เห็นในชั้นมันเป็นคนมีลักษณะศีลมีศีลมีคุณธรรมมีอาริยธรรมมีนัยยะที่ต่างกันอยู่บ้างเอาได้ค่อยขยายความสองเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นสมมีงานที่เป็นสมมาอาชีพ มีกิจการเป็นสาระที่มั่นคง 4. ขยันสร้างสรรค์นขนขวายกระตือรือรน้น 5. อยู่กันอย่างผาสุขสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานราเริ่มง 6. ไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่อง ไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟืองไม่ผลานพระสุรุ่ยสุรายเจ็ 7. มีความประนีตประหยัดแต่เอื้อเฟือสจะพัดแจกจ่ายประณีตประหยัดแต่เอื้อเฟือแจกจ่ายสะพัดแปไม่มีอาชญยกรรมไม่มีอบายามุก ไม่มีทุจริตกรรมเก้ามีความพร้อมเพรียงสามคัคคีอบอุ่นเป็นเอกภาพที่จริงแต่ละข้อแต่ละข้อมีข้อย่อยของมันอยู่ในตัวเกือบทุกข้อสิบสัมผัสได้ในความเป็นปึกแผ่นแน่นแน่นหนา ของความเป็นกลุ่มก้อนพ ร, ราดอนรภาพสิเมีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืนส2องเป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมทั่วไปในรอบกวา้าง สิบสามอุ ด, ดมสมบูรณ์แต่ไม่สะสมไม่กักตุนและไม่กอบโกยสิบสีมีน้ำใจไม่เอาเปรียบเสียสละอย่างเป็นสุขและเห็นเป็นคุณค่าของคนตามศัจธรรม ชุมชนที่เข้มแข็งที่ว่านี้คุณลักษณะดังกล่าวนี้พอมองรูปออกในชาวอโศกเราพอมองรูปออกเหมสิบสี่ข้อเนี่ยเอาไล่ไปทีละข้อทวนเลยยังไม่อธิบายมาก หเป็นรักสังคมที่เห็นได้ชัดในลักษณะของคนมีศีลมีคุณธรรมมีอาริยธรร ม, มสองเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นสามมีงานที่เป็นสมาชีพมีกิจการเป็นสาระที่มั่นคงเราถือว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงพอสมควร พอเป็นไปได้สีขยันสร้างสรรค์นขนขวายประตือรือรน่นทุกวันนี้เนี่ยชาวโซเราเนี่ยไม่ได้อืดไม่ได้เฉยจนเหมือนตก่อนดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเข้าใจคือทุกคนน่ะจะ ก, ก็มีปฏิภาณอ๋อมันไม่ใช่ไปนนั่งเฉย่ฉยหรือมัน มันไม่เชื่อหรอกแต่มันมันมอยากไม่อยากทำมันเลี่ยงเชิญเอาเปรียบก็รู้ตัวเองว่ากไอ้นี่มันไม่ดีนะมันจะได้เลี่ยงเกียงคนอื่นเขานี่มันมันจะมีปฏิพานรู้ว่ากุศลอกุศลความดีงามความเลวทรามคืออะไรมันจะรู้ห้าอยู่กันอย่างผาสุกสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานราเริง เพราะโสดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคร้ายโรคอะไรแต่อะไมากมายเยี่ยงโรคไอข้างนอกเขาที่มันนิยมกันเยอะๆเยะะแยะนะโรคบาบาบอบอะไรเจะไม่ค่อยมียกตัวอย่างง่ายๆนะคนอายุมากขึ้นไปประมาณห้าสิบขึ้นไปห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโรคเบาหวานแต่คนโสดนี่น้อย หวานน้อยโรคอะไระที่อายุมากหน่อยแล้วเขานิยมเลยละเกินความดันถึงอย่างนั้นก็ตามความดันเนี่ยมันมีสองในในความดันของไอ้อันนีอีกอีกอันหนึ่งคือความดันทุรงมันมีสองในในความดันนก็ไม่ค่อยมีพวกเราก็น้อยโรคความดัน แม้แต่เราความดันทุรังก็น้อยนะถ้าว่ากันจริงนะพวกเราเนี่ยแน่นอนมันมีบ้างนอกจากบางคนน่มันยึดมากๆมันดันทุรังมั่งก็มีบ้างเห็นเห็นแต่ก็รู้รู้ตัวเองก็เข้าใจเขลรอายก็ลดๆอยู่แต่มันมีฝังสั่งสมมามันก็ต้องแก้ไขไปแต่ดูแล้วโดยค่ารวมแล้วตมาให้คะแนนว่ามันไม่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะ อยู่ก็ยัง ส, สุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานราดเริงไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่รุงร่งเรืองฟุ้งเฟืองไม่พลานพราดสุรุ่ยสุร่ายเป็นแต่เพียงอันหลังนี่แหละไม่ผลานพราดนี่ไม่พลานพราสุรุ่ยสุร่ายนี่มรีร่องรอยร่องรอยที่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้อยู่บ้างสิไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟืองนี่ไปตามลำดับ ร่งเรื่องฟุ่งเฟืองนะนั้นมองอย่างโลกโลกเลยนี่หมู่บ้านไหนบ้างละเขามีกิจการทำงานได้อย่างหมู่บ้านราชธานนอโศกเนี่ยหมู่บ้านต่างๆเนี่ยไล่ไปดิเอาในตำบลเรานี่เยอะด้มีส0บเท่าไรเดี๋ยวนี้ที่หมู่บ้านส2บสองหมู่บ้านอ่า ก็ดูสิเขาสร้างกันมาสิบสองหมู่บ้านนี่มีหมู่บ้านหลังเราสองหมู่บ้านเช่งนั้นอ่ะเราหมู่บ้านที่สิบดินั่นสิอีกสองหมู่บ้านก็หลังเราเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สิบนอกนั้นก็เกิดก่อนเราก็้เกิดก่อนเราในหลายหมู่บ้านเป็นร0อปีมาแล้ว ในหมู่บ้านเป็นรอยปีมาแล้วเขาก็ไม่เห็นว่ารุ่งเรืองฟุ้งเฟืองเหมือนอย่างเรานะพ่อเรามีกิจการกิจกรรมมีงานมีอะไรต่ออะไรจนกระทั่งพูดกับพูดนะตรงนี้คนหมู่บ้านเอออยงมาหากินในหมู่บ้านนี้เลยมาเลี้ยงชีวิตโดยอาศัยหมู่บ้านนี้เหมือนซาอุดเลย มีคนไทยไปหากินเลี้ยงชีพชื่อตรงโ น, นง้นจะส่งเงินมาเมืองไทย <c oughs> ไปขุดทองในโน้นอันนี้ก็เมือนกัคล้ายกันแต่เราไม่มีไม่มีเมือนสาอุด ต, ตรงที่ว่าทำให้เขารวยให้เขาเมื่ออย่างกับทางสาอุดมันไม่ได้แต่เขาก็เลี้ยงชีพเขาได้ซึ่งที่อื่นก็มองภาพพจน์หรือว่า ม, มองรูปลักของหมู่บ้านราชธานีอโศกแล้วเนี่ แล้วบอกเราหมู่บ้านจนมันไม่มีใครเ็าเชื่อไม่มีใครเ็าเชื่อหมู่บ้านจนเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยเกรงใจเราถ้าเราจนเขาจะเกรงใจเรานี่เขาไม่ เ, เกรงใจเนียว่ า, าพูดจะให้ยากอะมาจนซึ่งมันมีความซับซ้อนมนมีความซับซ้อนที่เมนเราในมอสซอ ไม่ใส่รองเท้าแต่งตัวนะจอกอะไรซกมกกอะไรไปไม่ได้รู้ราคาฟู่ฟืาเหมือนเขาเนี่ยเขายังแต่งตัวสดสวยรู้ราคาอะไรต่างๆนานากว่าเราเยอะแต่เราไม่เขาก็ยังว่าพวกเรานี่ก็ยังต่ำตวกว่าเขาฐานะดีกว่าเขาทั้งนั้นน่ะเขาก็มองไปอย่างงงนะเรื่องความประนีประยัมเอื้อเฟื้อเจอจาเนี่ก็ มีให้เห็นได้ชัดนะไม่มีอาชญากรรมถือว่าได้ถือได้เพราะไม่มีอาชญกรรมไม่มีอาบายมุกก็ถือได้เพราะไม่มีอาบายมุกไม่มีทุจริตกรรมก็ถือได้เพราะไม่มีทุจริตกรรมจะมีอะไรบ้างซับซ้ อ, บ อ, บอนเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างมันมีอะไรอยู่ในนี้อยู่บ้างก็เถอะนะมันก็มีเป็นธรรมดา ตัวใครตัวมันตัวที่มันยังไม่บร Bo ิบูรณ์ทีเดียวมันยังมีตัวชั่วตัวบาปอยู่ส้ส น, ส น, สนทำมั่งอยู่บ้างอะไรบังก็มันก็แก้ไขกันไปอยู่มันมีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ันหาสะอาดร0อยเปร์เนพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ยังสะอาดร0อยเเ็ไม่ได้เลยเพราะงั้นพวกเราได้ขนาดนี้อาตมา ก, ก็าพอไป มีความพร้อมเพียงสามัคคีอบอุ่นเป็นเอกภาพอันนี้อาตมาว่าของเรานี่ได้รับความยอมรับแมต่างข้างนอกเราออกไปพิสูจน์ข้างนอกแล้วว่าเรานี่มีความพร้อมเพียงเป็นเอกภาพอบอุ่นสามคัคคีเราไปยืนยันข้างนอกได้แล้วยืนยันได้จริงๆพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมันก็มาข้างในเนมันก็เหมือนกันก็ ครอบครัวมันก็ง้องแ ง, ง่งง้องแง่งกันบ้างแต่พอด้ออกไปข้างนอกแล้วมันก็เป็นครอบครัวมันก็เป็นคณะนะมันก็เป็นเอกภาพนะเพรางั้นมีความสัมผัสได้ในความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มเป็นก้อนพ ร, ราดอนระภาพอันนี้ยิ่งใหญ่พ ร, ราดอนระภาพ ยิ่งใหญ่ตรงที่เป็นพี่เป็นน้องกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันไอนครอบครัวใหญ่เลยพึ่งกันได้จริงๆคนเหนือป่วยคนภาคใต้ภาคกลางเราก็เป็นดูแลกันจนกระทั่งตายคามือกันไปอย่างนี้เป็นต้นคนอีสานป่วยคนภาคกลางก็มาดูแลกัน ตายคามือกันไปนี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากจิตวิญญาณออมันไม่ว้าวออีมีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืนอันนี้แหละมันเป็นตัวที่อาตมาตัดสินให้คะแนนเองว่ามีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืนได้แล้วแม้มันจะเป็น กลุ่มยังไม่โตประเทศไทยมีพะยาประชากร67ล้านเรามีอยู่แค่นี้เอาจริงๆเนื้อแท้ๆเนี่ยมันก็670เจ็ดสละ ว, วะชาวเอาสกพัน <c oughs> เจ็ดร้อ 6, ก็เถ อ, อะในประเทศไทยมี6700เนี่ยชื่นใจแล้ว ใช่หมหกพั้เจ็ดร้อเนี่ยจริงๆเราหกพ0นนี้ปฏิวัติได้นะรวมตัวกันขึ้นมาหกพันเจดร้อยเนี่ยรับรองเลยยืนหยัดยืนยันกันมั่นคงกันปฏิวัติได้แต่เราไม่ทำอย่างโลภๆหรอกเ ร, ราปฏิวัติอย่างธรรมะปฏิวัติอย่างธรรมะ เป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมทั่วไปในรอบกวา้างคำว่าทุนทางสังคมเนี่ยคือคุณงามความดีที่แท้ที่เป็นนามธรรมา ท, ทุนนี้ไม่ใช่วัตถุทุนทางสังคมไม่ใช่วัตถุทุนทางนามธรรมา ท, ทางคุณงามความดีซึ่งเป็นกุศลนั้นเป็นของโลกนะทุนทางคุณงามความดีเนี่ย เกิดจากทุนทางล้างความเห็นแก่ตัวล้างกิเลส ข, ของตนล้างโลภโกรธหลงออกมันจึงเป็นปฏิบัติการกับสังคมปฏิบัติการกับสังคมที่เป็นคุณธรรมความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยสังคมให้สังคมไม่แย่งสังคมนี้ก็เป็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วไม่แย่งสังคม อย่างพวกเราเนี่ลาออกจากงานลาออกจากเป็นนักธุรกิจคุณก็บายให้เขาแล้วใช่ไหมคุณก็เลิกที่จะแย่งสังคมแล้วออกจากราชการคุณก็ให้ตําแหน่งแก่คนอื่นไปแล้วลาออกมาตําแหน่งเขาบายตําแหน่งให้แก่เขาแล้วบายรายได้ให้แก่เขาไปแล้วนักธุรกิจคุณก็ไม่เอาแล้วธุรกิจนั้น ก็มาทำกันนี่สร้างสารร์กินใช้ในนี้แล้วก็เหลือก็แจกในตามหลักประพฤติของวัฒนธรรมของชาวโอโสมมันก็เป็นแล้วเพราะงั้นมาเป็นทุนทางสังคมที่เป็นผู้ที่มีทุนเป็นประโยชน์ ท, ทุนนี่เป็นที่จริงควรจะเรียกว่าบุญทางสังคมแต่เขาตั้งกันว่าทุนทางสังคมเขาก็หมายอย่างนี้แต่ของเรานะหมายลึกกว่าเขาเข้าเนื้อเข้ <c oughs> วาวิญญาณของเขาก็พยายามทําอย่างนี้เป็นทุนทางสังคมเป็นคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีทางสังคมบอกโอ้คนนี้มีทุนทางสังคมมีคุณงามความดีเขาก็เข้าใจกันเขาก็ทําแต่ของเขาทําอย่างกัลยาณชน แต่ของเรานระาทำแทำจากใจจริงจากใจที่ไม่มีกิเลสจริงทาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตีกลับมีโลกรธรรมที่มันสูงขึ้นแล้วมันก็ตีกลับได้แต่ของเราของพระพุทธเจ้าทำได้จริงและจิตมันไม่ตีกลับเลยนะ่มันมันเป็นทุนทางสังคมที่ เหมือนกันกับทางโลกเขาแต่มันมีความซับซ้อนตรงเที่วมันเข้าถึงแก่นใจมันเข้าถึงแก่นวิญญาณจะว่าสอดคล้องเขาก็สอดคล้องสอดคล้องจนกระทั่งมันกล้าจนมันกล้าที่ไม่จะไม่รับตำแหน่งหน้าที่จริงๆเลยไม่แย่งตำแหน่งหน้าที่เลยมันจะงั้นทางโน้นเขาก็ เขาก็พอพอพารับเอาเขาก็ไม่เขาก็รู้เหมือนกันว่าไม่แย่งเท่าะไรแต่ได้ก็เอาแต่ของเรานี่ไม่เอาด้วยได้ก็ไม่เอาอะไรอย่างี้เป็นต้นมันซับซ้อนมันจริงกว่ากันมันจริงลึกเพราะคำว่าทุนทางสังคมก็ไม่ได้ขัดแย้งกับของเขาแต่ของเรานั้นเราสร้างทุนทางสังคมจากบุญคือเราชำระกิเลส ตัวเห็นแค่ตัวโลกโลดลงต่างๆออกจริงซึงเป็นตัวเหตุหลักซึงเป็นตัวเหตุหลักเลยที่มันจะต้องแย่งโลกก็ทำเพราะมันล้างกิเลสนี้จริงมันจึงไม่แย่งจริงทาวรจึงเป็นการสร้างทุนทางสังคมที่เหนือชั้นซับซ้อนกอดทางโล ก, กียะเขาสร้าง ทั้งคนโลกเขาสร้างอุดมสมบูรณ์คําว่าอุดมสมบูรณ์ก็คือพวกเรามีกินมีใช้มีอยู่แล้วเพราะเรามีจิตพอมันไม่มากกว่านี้มันไม่บาบาบอบบอลดิ้นดนกว่านี้จริงๆมันมีกินมีอยู่มีใช้มีอะไรเนี่ยมีปัจจัยสีแม่มีเครื่องใช้ มันก็ไม่เป็นลนลานที่จะต้องไปแย่งชิงเครื่องเ ค, ครื่องใช้เครื่องสายอะไรของโลกเขามากมายไม่เขาโฆษณาโครมครมครมไอหนนไอ น, นี่อะไรอะไรสารพัดมันโฆษณากันเราก็ดูเออบางอย่างบางอันเออหน้าเอามาใช้บางนั้นก็ใช้ก็ไม่เห็นว่ามันหลงไหลอะไรกันมากมายพวกเราใครได้มาก็อบอ้เราคนหน้าได้แล้วก็ต่างคนต่างแย่งอยากได้อยากได้ก็ไม่เห็นมี ก็มีบางผู้บางคนเอามาใช้ก็ใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ก็ว่าปไปบางคนบอกเออนะมันก็มีประโยชน์ได้แต่เราเห็นว่ามันพอมันทำได้แค่นี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนขี้เกียจไม่ได้เป็นคนได้ผลงานไม่ได้เป็นคนไร้ค่าไร้คุณอะไรเลยมันก็มีพอออ เางนในส่วนที่สําคัญของสังคมที่เราอยู่มันอุดมสมบูรณ์มันพอมันเหลือมันจึงเอาไปสะพัดเอาไปมีพฤติกรรมพฤติกรรมที่เรามีมากมีเกินส่วนของเรานี่แหละแล้วเราก็เอาไปทํากับสังคมเช่นไปขายราคาถูกแจกมัง่งขายมัง่งเอาไปช่วยออกให้สังคมไปอะไรต่างๆที่เราเป็นนี่แหละมันซับซ้อนอยู่ในละเอียดละอ้อเยอะ มันไม่ได้ทําง่ายๆดุยๆเออมีมากแล้วก็มานั่งแจกแจกหมดแล้วก็มานั่งทับใหม่ลึกๆอ้าวมันไปนั่งแจกแจกไมด่ดุยอย่างนั้นแล้วมันมีภาวะซับซ้อนเป็นระบบเป็นระบบเป็นวิธีการเป็นอะไรแต่เป็นวัฒนธรรมมีหลายชั้นซ้อนอยเช่นยก ต, ตัวอย่างง่ายๆอย่างเราทําปุ๋ยเนี่ยเราทําได้ แล้วก็ขายในราคาที่พอที่จะอยู่ได้ตั้งราคาไว้ขนาดหนึ่งเสร็จแล้วเราทำไปแล้วก็แจกบั่งลดราคามัง่งอะไรมัง่งเราไม่ได้ไปขึ้นราคาไม่ได้ไปเห็นทีโอ้โหขายดีขึ้ น, ข, นขึ้นราคาเถอะเรายิ่งลดถ้าเป็นทัศนิยมโอ้โหมันขายดีติดตลาดมันขึ้นราคาใช่ั้มแต่เราไม่ได้ทำเห็นไหม แล้วไม่ได้ทําแต่แล้วก็แจกซับซ้อนเกือเฝื่อเจือจานเกือกคูลไปมันไม่ไปนั่งแจกมาทามันมก็แจกแจกมันไม่ใช่แต่มันมีวิธีการซ้อนไปสลับซับซ้อนไปให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ให้อย่างโน้นนเพราะความอุดมสมบูรณ์ที่เราเผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานกับสังคมอยู่เนี่ย ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอันหนึ่งทางโลกเขามองไม่ออกธทรทัศเนี่ยธุรทัศเนี่ยมันมีความซ้อนอยู่คือธทรทัศเนี่ยเราให้ความรู้ให้ความรู้เป็นหลักเลยแต่ความรู้ของเราอาจจะไม่เป็นความรู้โลกโลก เป็นความรู้ที่บอกว่าคุณได้ความรู้นี้ไปแล้วคุณก็จะไปใช้ล่าลาบยศสันเสริญหรอกีสุขเหมือนอยาความรู้ทางโลกง่ายๆมันไม่ใช่ใช่มห ม, มไม่ใช่ความรู้อย่างนั้นเพราะเขากะบอกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ความรู้อะไรมันมาแพร่ลัทธิของมันเอาไปโน่นเลยแล้วจริงไหมจริงไหมจริงจริงอีก แพร่ลัถธิของมันน่ะลัถธินี้ของมันนี่คือของใครรู้ไหมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของธรรมดาแร้วนะเอติพูดมันไปแล้วก็แหมเสียววับเลยนะลัทธิของมันที่จริงลัถธิของพระพุทธเจ้านะมันมาแพร่ลัทธิของมันนี่นะมันมาโฆษณาตัวมันเขามองอางนั้นเลยเข้าใจไม แต่ความจริงไม่ใช่เราต้องการที่จะให้คนเห็นเราไม่ได้หาเงินนี่ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ได้อาศัยสถานีนี้เพื่อหาเงินเลยสองไม่ได้อยากดีอยากเด่นแต่ละวันแต่ละวันนี่เฉยแหลกเลยไม่ได้อยากดีอยากเด่นอยากโก อ, อยากสวยอยากให้คนเคารพนับถือยกย่องชมเชยไม่มีนะ พยายามเท่านั้นเองมันสุดพิสัยก็บกพร่องอยู่อย่างนั้นให้เห็นทุกวันน่ะขาดขาดเกินเกินผิดผิดถูกถอยู่งนั้นน่ะไม่ใช่ผิดทางศัจธรรมนะผิดไอ้งานผิดบทบาทการงานกับพร่องกับแพงก บ, พงบกพร่องอยู่ยงนั้นน่ะทุกวันน่ะอ่ไม่ได้ทําแข่งเขาอวดดีอวดเด่นจะต้องโชว์ว่าแข่ง รู้ราฟูฟ่างดงามอย่างน้นอย่างนี้ทับจนก็ตั้งเลิศเลออะไรที่เอาชนะคาขานไม่มีพอไม่ตกรุ่นไม่ดูสกมกเกินไปเท่านั้นแลก็ทำเท่านั้นแห ล, ละก็ไปก็เข้าได้แต่สิ่งที่ให้เนื้อแท้นะ่คืออย่างนี้แหละ สาระที่เป็นโลกุตระนี่มากคือเขาไม่ได้อยากได้เลยเขาฟังไม่เป็นด้วยแต่เราก็ทำเพราะมันเป็นความจำเป็นเพราะอันนั้นแหละเราเผยแพร่โลกรุตระธรรมนี่แหละเขาจึงบอกว่ามันเผยแพร่ะละทัทธิของมันของพระพุทธเจ้านะ เพราะงั้นคนที่ไม่รู้นี่คนนั้นนะ่ะถึงบอกว่าอาวิชาที่บอกว่าอันนี้มันมาเผยแร่ลัทธิของมันไอ้ที่พูดถ้าพูดใช้ภาษาอย่างนี้เลยนะระวังเหอะนี่มันลัทธิของพระพุทธเจ้านะโลกุตตรธรรมน ะ, ะทำไปเล่นไปเถอะเขาไม่รู้ตัวเอเผยแร่ลัทธิของมัน เพราะอะไรเพราะว่าเขาเข้าใจอย่างงั้นจริงๆเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างงี้ของพระุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างงี้ของพระพุทธเจ้าเขาต้องอย่างเทรสมาคมอัตมาไม่พูดาพาดพิงมากมายหรอกพูดไปเดี๋ยวก็ไปพูดความจริงออกมาอีกความจริงคืออะไรก็พูดมันผิดนะทีพูดสิ่งผิดนะที มันผิดไปหมดแล้วมไม่เหลือเลยเนยไวไคอยอ่านหนังสือคาบุญคือบาปเนี่ยอ่านดีๆพยายามปริปนอม น, น, นะนะใช้สำนวนพยายามที่สุดแล้วลหละแต่อ่านดีๆเถอะยังไม่รู้จ ะ, จะได้ค ด, ดีเรืราวรู้เลย ไม่อ่านตอนนี้กําลังทวนอยู่ก็ําลังตรวจสอบเราต้องอ ก, กาลังตรวจแก้จะให้เข้าไปเป็นที่สุดละเราจะได้ไปพิมพ์ให้มันเสร็จก่อนสิ้นเดือนนะตอนนี้ก็ก็จะลงมือทํายังไม่รู้แต่ถ้ามาตัวเสร็จเนี่ยเขจะรีบส่งไปให้เป็นลองดูให้เขาเร่งๆทาให้มันพิมพ์เสร็จก่อนสิ้นเดือนออกให้มันทาต้นเดือนได้มันก็จะดีต้นเดือนพฤจิการ เพราะอันจีนนี่แม้แต่สื่อสารโทรทัศน์เนี่ยเราก็หาเงินมาจ่ายค่าดาวเทียมค่าเซหุ้่ค่าอะไรก็มันเดือนหนึ่งก็หลายล้านอยู่ทั้งทั้งที่พวกเราเนี่ยอย่างนี้แหล ะ, ะก็จะหาเงินหาทองได้มาพอที่จะใช้ทอจะอะไรเนี่ยแถงยากแสนเย็นปีนี้งานเจนเนี่ยนะ ได้เงินตั้งเยอะขายได้วันละสามแสนสี่แสนรวมแล้วเนี่ยสรพกรฟังและหูพึ่งๆแต่เสร็จแล้วบวกลบคูณหารของเราเหลือนิดเดียวก็ขายชามละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทก็อย่างสูงสุด แล้วคนมันจะไปใช้มันจะไปเอา20่ทีไหนล้คนมาซื้อมันก็จะเอา10บาทนั่นแหละเป็นหลัก10บาทสิบหาบาทส่วนมากก็สิหเป็นหลัก20มันก็เป็นราคาสูงของพวกเราใช่ไหมคนจะให้ราคาสูงคนจะซื้อราคาสูงก็บางคนเท่านั้นใครมันอยากซื้อมันก็ซื้อ15ห้ารือสิบได้มันก็เอา10บดีไม่ดีมันก็เอาใส่กระเป๋าเฉยเลยจับได้มั่งมาได้มั่งมาว่าหู จะเยอแยะแน่นอนเพราะว่าพเราไม่มีคนเฝ้าพอแล้วดูคว้างเกินน้อยสรุปแล้วทั้งเข่าทั้งค้องอะไรสรุปไอตัวเลขตัวจ่ายตัวรับแล้ว เ, เงินที่อยู่จำนวนขายมันเพิ่มขึ้นตรงเยอะอันในหมายมันเป็นความซับซ้อนในการที่จะอ่านอ่านว่าค่านิยมของคนการธุรกิจ พาณิชอันนี้เนี่ยมันมันเจริญขึ้นจริงเจริญไม่ใช่นอ้อยเดี๋ยมันมีการสัมพัมีการค้าขายมันไม่ขายได้มากมันได้ตัวที่แรกมากเป็นรายได้ประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้ขายจามสิบบาทสิบห้าบทมันได้ตั้งโบโหวันหนึ่งตั้งเท่านี้เท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเหน็ดเนยเมื่อยล้ากันทุกคนนี่เราให้แกสังคมได้แท้เลย แล่นเป็นความเจริญเราถือว่าเป็นความเจริญเนความเจริญกับพวกเราพวกทุนนิยมมาเห็นพวกเมืออทํานี้ทำยังไงวะเอาคนมาเสียแรงงานขนาดนี้แล้วทํากันโอ้โหทําไปก็ไม่มีระบบทําไปทิ้งไปกินไปโอ้โหใครจะกินยังไงก็กินไปเลยเอาวางกันไปโอ้โหเลือเท่าไหร่ก็ขายขายได้เท่าไหร่ก็ขายกัน ไม่มีนายทุนคนไหนเขามาใจกล้าทำแบบนี้หรอกไม่มีแต่เราก็ทำแล้วเราก็ให้กับสังคมอย่างเงี้ยนะเพราะจะเป็นพาณิชย์อย่างนี้ก็ดีจะเป็นสื่อสารก็ตามเราให้กับสังคมโดยที่เขาไม่เข้าใจนะยิ่งสื่อสารนเนี่ยจะเข้าใจยากมากเลย เพราเราสื่อสารไปเป็นโลกุตระนี่ส่วนใหญ่เขาไม่รู้เรื่องที่อาตมาสรุปฟังแล้วเขาไอ้พวกนี้มันมาเผยแพร่ลัทธิมันเพราะเขาเขาไม่ได้เข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างที่เราเผยแพร่เขาเข้าใจว่าลัทธิของมันลัทธิของมันเขาไม่เข้าใจว่านี่คือนี่แหละโลกรุตธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเขาได้ไปเข้าใจว่าของพระพุทธเจ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้ว มันเป็นกรองอนักะไปแล้วตอนนี้เขาเข้าใจว่าพุทธคือยังกรองอนกักระไอ้ที่มันเป็นของใหม่ที่มเป็นเนื้อหาของเขาไปเป็นอย่งงางั้นไปแล้วมันแปลงตัวไปหมดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือของแท้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสงสัยเราว่าทำไมเราก็เผยแพร่สื่อสารทำไมคนมันไม่นิยม เขายึดแล้วเขาเชื่อมั่นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำดีให้คนตาบอดเห็นได้ทำจนคนตาบอดเห็นได้เป็นโวหารต้องทำอย่างนั้นจริงๆเอาไหม อภิหารนะทำเป็นคนตาบอดเห็นได้เนอภิหารนะเราต้องทำขั้นนั้นจริงๆถึงแม้ว่าเราทำแล้วนี่นะเนี่ยจะมาทำไปอีกเจ็ดสิบปีจนจะมาอายุร5 0ยห้าินี่แหละนะ มันก็ได้แค่นี้อ่ะพวกคุณอาจจะมีหลายคนตายไปคนใหม่มาแทนก็จำนวนเท่านี้อัตมาก็จะไม่เสียใจเลยจะไม่น้อยใจจะไม่ไม่ประหลาดใจอะไรเลยอัตมาถือว่าประสบผลสำเร็จได้ซ้ำถ้าอัตมาทำงานไปอีกนี่จกนกระทั่งอัตมาอายุร้อยหสิบกสบกว่าปี 50, อย่างที่ว่านี่นะ มันลดน้อยลงลดน้อยมันไม่เพิ่มสิอาตมาก็จะรู้สึกว่าเออมันมีเทนี้จริงๆเนาะคนก็นเท่านั้นเองแต่ถ้ามันยังทรงสภาพเท่านี้อยู่อาตมาก็ไม่ประหลาดแต่ใจคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้นะคิดว่าน่าจะมากกว่านี้ขึ้นข้อสำคัญพวกเราอย่าขบบ อย่าไปยืดจนเกินการจนกระทั่งเขามารวนเขามาเสียแกน่นเสียแกน่นเสียสภาพมันไม่เป็นโลคุตธรรแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกลองอนักะเมื่อก็ยังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้มันก็ไปกันใหญ่เพราะาเราต้องเป็นอาตมาเคยพูดเราต้องเป็นพ่อค้าขายข้าวต้มปลากระพง ค้าขายข้าต้มปลากระพงคืออะไรก็คือขายข้าวต้มปลากระพงถ้าหาปลากระพงไม่ได้ปิดร้านไม่ขายอดตายก็อดตายไม่ขายไม่มีปลากระพงเอาปลาอื่นมาปลอมไม่เอาเอาปลาอื่นมาโมเมไม่เอาเอาปลากระพงเท่านั้นนี่คืออับแปะ าขายข้าวต้มปลากะพงอาแปะนี่ซื้อสัตว์มากาเพราะให้เนื้อนีของเราอยู่เถอะเนื้อดีๆรักษาเนื้อนิไวไ้วยปลาเรื่อยๆอัตมาก็จะดูสิว่าธรรมะพระเจ้าท่านก็ตัดไปแล้วว่าจะธรรมะทำให้ธรรมะรุ่งเรืองเป็นของยากเหมือนกับที่จะ แต่ละยุคแต่ละเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติสักพระองค์หนึ่งมันก็ยากแสนยากที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ในโลกสักองค์หนึ่งองค์หนึ่งการเผยแร่ธรรมะพระพุทธเจ้าให้รุงรงในในใร่งเรืองทำมินายให้รุ่งเรืองไปนี่มันยากเหมือนกันส่วนบอกว่าคนจะมาเกิดเป็นคนนี่ยากเหมือนเหมือนกันอีกอันหนึ่งเนี่ยคนก็ไม่ค่อยทราบซึ้งคนทั่วไปไม่เคยทราบซึ้ง าอาตมาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาพูดแล้วว่ามันไม่ได้มาเกิดง่ายๆแร้วนะมาเกิดเป็นคนอีกทีนึงเนี่ยถ้านตรัสก็เลยไม่รู้กี่ในคนตายจากชาตินี้แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกนั้นยากแสนยากเท่ากับนิ้วจิ้มเข้าไปแผ่นดินเนี่ยนองนั้นไปตกนรกไปนจริงที่สุดเลย น, นะไปขึ้นสวรรค์ไปตกนรกสวรรค์ทัานไม่พูดหรอกสวนมากท่านบอกตกนรกเป็นส่วนมากนี ไมไ่หาได้ง่ายๆมันไม่ได้มาเป็นกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทีง่ายๆบางคนจะไม่ทราบซึ่งเพราะมันได้เป็นคนแล้วอยากอะไรก็ว่าเป็นคนแลว้วอะมันก็เลยหลงตัวเองเนื่อยากอะไรก็ว่าก็เป็นคนนะ่ะโอ้ก็ได้เกิดมานี่มันเห็นยากตรงไหนเลยแล้วคุณไม่รู้ว่าก่อนคุณจะได้มาอย่างนี้นี่โอ้โหแสนกี่ล้านปีก็ไม่รู้บางคน ก็ฉะนั้นมาเกิดมาเป็นคนทีนึ่งซึ่งเป็นเรื่อ ง, อ จ, ยอยงจริงตายจริงมันรื่งแต่ว่าบอกว่าพระพุทธเจ้าเราพอเชื่อใช่ไหมพอเข้าใจได้ง่ายโอ้จะพระพุทธเจ้าจะอุบัติสักองหนึง่งองค์ที่นี้เนี่ยจะเร็วแต่ขนาดนั้นมันก็ไม่เร็วหรอกถ้าสมมุติมันจะสมมติมันจะจริงหมดรุ่นนี้นะก็จะไปตกพุทธันดอนอีกนานเลย เพราะว่ากะลียุคก็มันจะปรับตัวมันบรัยากาจล้างโลกก็โอ้โหก็โลกจะนะถ้าเป็นสวนเราก็ถูกโอ้โหถูกทําลายในนะ้ำไฟไหม้หมดกว่าอะไรจะงอกขึ้นมาอีกนะี่ยนี่พูดใ้ดูเป็นไยยะกว่าอะไรจะเหมาะกว่าจะเกิดเป็นพื้นป่าพื้นป่าพื้นดินพื้นอะไรขึ้นมาอีกโอ้โหต้องใช้เวลานานหลายปีไอ้นั่นเ ห, เหมือนกันจะใช้เวลาอีกหลายล้านปีเหมือนกัน ก็ ป, ะ ป, ะปะลารกันมันล้างโลกไปหมดแล้วกว่ามันจะตั้งหลักได้อีกหลายล้านปียังเพราะนันที่บอกว่าในกว่าจะได้ยุคหลายกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเข้ามาอุบัติใหม่ที่ใช้คำว่าพร ะ, ะพระพุทธเจ้าพระอาวสีอริยเมตไตระากกว่าพระ สีอารยเมีตรายจะมาอุบัตินะ่ะอีกนานมันนานเพราะมันต้องตั้งหลักหนึ่งโลกจะต้องตั้งหลั ก, กว่าจะปรับตัวขึ้นมาอย่างที่อาตมายกตัวอย่างไฟไหม้ป่ากว่ามันจะงอกกว่าจะไม่เป็นป่าอีกทีนึงก็ใช้เวลาชั้นใดอันนี้ก็ชั้นนั้นแต่มันไม่ใช่แค่ป่าแค่งอกทำป่าเป็นระยะเวลาแค่ร้อยปีไอ้นี่มันเป็นล้านล้านปีหลายล้านปี นอกจากนั้นแล้วเกิดใหม่ๆโลกเกิดจะยุคที่ดีใหม่ๆจะดีคนเกิดมาก็ดียังไม่มีกิเลสยังไม่อะไรไปอีกนานอีกเหมือนกันจนกว่าคนจะเสื่อมคนจะเลวร้ายลงเลวร้ายจนกว่าประมาณหนึ่งที่เป็นทุกข์ซึ่งไม่ได้เลวร้ายมากเลยนะอยามาเทียบกับคนยุคนี้เลยนะมันอันี้มันหางกะลียุค ไอนมันต้นไม่ใช่กะลียุคมันพัทธกัปมันต้นพัทกัปไอนี้มันปลายพัทกัปมันคละเรื่องกันเลยนะเพราะฉะนั้นใ้ความนานเนี่ยเลวร้ายหมดไปกว่าจะดีขึ้นมากว่าจะเกิดใหม่ก็นานไอยุคที่ดีกว่าจะมีสิ่งที่ดีขึ้นมาอีกก็านาน เพราะฉะนั้นกว่าจะมีพระเสียริยาเมตัตสองนานนึกออกไหมนานที่ความเลวร้ายกว่าจะตั้งหลักนานจนกว่าความดีของคนดีจะเสื่อมลงไปจนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะต้องขึ้นมาโปรดแล้วสองนานเห็นไหมยุคศีอาณที่ห่างมันจึงนานนี่จึงเยอะ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายถามจริงถ้าอาตมาไม่พูดนี้พวกคุณจะคิดออกไหมไอ้แค่เนี้ย <c oughs> ที่อาตมาพูดเหมืนอนเรื่องง่ายๆใช่ไหมแต่เข้าใจใช่ไหมเชื่อว่าจริงหรือเปล่าเห็นไหมมันเรื่องจริงที่อาตมาพูดนี่เรื่องจริงง่ายเอ๊ะทำไมเราคิดไม่ออกวะ มันเป็นเรื่องอาจินตายมันเป็นเรื่องวัตถุทุกาเนี่มาอัตมาก็อาศัยขันอดีตมาพูดเนี่ยอัตมาก็ค่อยจะปูทางที่ไปอธิบายทิฏฐิหกขันอดีตอนาคตก็ค่อยปูกันไปปูพื้นไปเดี๋ยวก็จะได้หยิบทิฏฐิหกสิ 62, องธิบายกันซึ่งอาศัยขันอดีตกัขันอนาคต อาณาอดีตสิอนณาคตร4สเนี่ยซึ่งส่วนมากอาตมาก็จะมีคันอดีตมาพูดส่วนขันอนาคตนั้นอาตมายากเพราะอนาคตอาตมาไม่ไม่ไม่มากอนาคตอาตมายังไม่เก่งนะยังไม่โพธิสัตว์นี่เก็บอนาคตรไปตามลาดับ ประวัติาตเก็บอนาคตคือเก็บจะต้องมาเจอยุคนี้จะต้องมาเจออย่างนี้จะต้องไปเป็นอย่างนี้ยไปคนเราจะมีวัตถาสงสารแล้วแต่แต่ตคนบางคนมาเร็วคนมาช้าเข้ามาพบาศาสนาูพุทธโอ้เอาคนนี้เร็วก็มีอดีตก็น้อยอนาคตก็น้อยอบางคนก็มีมากหน่อยอดีตก็พอสมควรอนาคตก็เท่าที่ตัวเองมีนั่นแหละ นะบางคนอดีตมากอนาคตก็มากนะคนนี้เขาก็ได้อัตมาไม่ได้มากขนาดนั้น <c oughs> นะก็เลยเป็นคนที่ไม่เคยกว้างขวางเท่าไหร่เพราะงั้นในขณะนี้เนี่ยอัตมามาทำงานในระดับหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าธรรมสร้างศาสนาของท่าน พระจ้ท่านก็สร้างศาสนาของท่านให้ได้เท่าที่ท่านเองท่านเหตุปัจจัยของท่านก็เท่าที่นั่นแหละศาสนาของท่านก็แข่งหาพันปีท่านก็สร้างของท่านไปเสร็จแล้วก็แล้วไปขันธ์ก็ด่าของท่านไปส่วนอาตมานังก็มีทุนทุนเท่าที่อาตมามีแต่อาตมาต้องสร้างให้ได้พัฒนากว่าทุนเท่านั้นเองก็พากเพียนไปเท่าที่จะมีความภาคเพียนได้ เราก็ทำไปแต่มันไม่ได้เกินกว่าที่มันควรจะเป็นหรอกคนเราก็เก่งเท่าเราที่เราสามารถและมีต้นทุนต้นทุนก็สามารถมันก็ทำให้เราสร้างสรรได้เท่านั้น่ะไม่ว่าใครทั้งนั้น่ะมันจะเกินกว่านั้นไม่ได้หรอก คนที่ทําให้เกินกว่าทุนกับความสามารถนั้นคือคนขี้โกงเขาจะได้เกินกว่านั้นคือคนขี้โกงฟังเข้าใจไหมคนที่ทําได้เท่าที่ทุนตัวเองกับความสามารถอ่าคนนั้นก็ได้เท่านั้นถ้าใครทําเกินกว่าทุนกับความสามารถขี้โกงอ่าเป็นคนซวย เพราะงั้นอันนี้ทำให้แต่ละคนรู้สัตบุรุษจะรู้ว่าอ๋อเขตนี้พยายามที่จะให้ไปเดินหน้าสุดท้ายอันนี้ตันตันตนอ๋อพอไม่ตันต่อเพราะอะไรหนึ่งถ้าดันต่อ น, นี่นะบางทีเป็นบุญของเราถ้าบุญของเราเราดันต่อก็เท่ากับเราใช้บุญของเรา หรือกินบุญของเราสองถ้ามันไม่ใช่บุญของเราเราก็ไปเอาของคนอื่นแล้วเรื่องอะไรอ่ะกินบุญก็ไม่เห็นน่าจะกินไปเอาของคนอื่นยังไม่น่าใหญ่ฟังให้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจแล้วไม่ดันทุรัง แต่ความต้องการที่จะได้มากได้ใหญ่ได้เร็วได้เยอะมันดันใช่ไหมกิเลสมนุษย์ใช่ไหมเห็นไหมระวังเถอะจำมาไว้การที่มุ่งทําให้เต็มที่นะ่ดีแต่ต้องรู้ขีดที่ว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วยามากกว่านี้ทามากกว่านี้ไม่ได้นะนะ ท่านถักบุญน่าจะได้ฟังอ้อนั่งฟังอยู่ดีจังคนนี้ชอบแม็กกัโปรเจกต์สนุกมากเมกกโปรเจกต์แต่มันก็จะอ้วกแตกเนืองเหนื่อยเพราะเราทำเท่าที่คนเราไม่มีพลังที่จะเดินหน้ามันก็ไม่ได้ แต่พลังจะเดินหน้าก็ต้องรู้เพราะคนเราไม่รู้ทุนของตนเองใช่ไหมไม่รู้ทุนที่แท้จริงของตนเองอยิง่งพวกเรานี่ไม่ได้สะสมวัตถุมันก็ทุนของบารมีใช่ไหมพวกเรานี่มีทุนคือบารมีเพราะเราไม่ได้สะสมวัตถุแต่คนโลกวัตถุนี่มันหลอกมันหลอกยังไงไอคนนี้มัน ใช้วัตถุใช้เหลี่ยมฉลาดได้มามากมากมแล้วมันก็ใช้วิธีของโลกวิธีของโลกก็คือวิธีซับซ้อนที่เอาเปรียกทบต้นทบต้นทบต้นทบต้นเพราะฉะนัได้มันก็เลยได้มากมากมากมากมันก็เลยมีต้นทุนแล้วมันก็ถือว่าต้นทุนนั้นเป็นของเราแล้วมันมีวัตถุมันมีแท่งก้อนมันรู้่มันมีตัวเลขมันมีวัตถุมันมีนับได้ใช่ไหมมันก็รู้แต่พวกเราเนี่ยมันไม่รู้ต้นทุนนามธรรมบารมีไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงประมาณยากประมาณยากฟังเข้าใจั้มมันประมาณยากาเพราะงั้นจย่าไปหลงตัวว่ามีทุนต้นทุนบารมีใหญ่บารมีเยอะพลาดง่ายนะรู้แต่ว่าเราได้ภาคเพียนุสาหาไปเต็มที่เต็มที่เต็มที่ภาคเพนุสาหาไปเต็มที่กับมุ่งจะเอาให้ได้มุ่งให้ชนะตาม ที่อยากได้ตามที่ขีดไว้นั่นแหละจะพลาดก็เราคิดอยากได้แล้วละตะกราจะเห็นว่ามันควรจะได้น่ะมันเท่าไหร่ก็ได้นี่ใช่ไหมควรจะได้มันคิดเอาเท่าไหร่ก <c oughs> <c oughs> ็คิดได้น่ายิ่งอวดดีกตัวเองนะโอ้โหมันต้องได้ขนาดนี้ขนาดนี้เอาให้ได้เอาเนี้ยตั้งเป่ไาไว้เหมือนกับยังพวกทุนนิยมเนี้ยปีนี้ได้ท่า น, นี้ปีห น, น, น, น, น, น, น, น, น, น้าจะต้องท่านี้ปีหน้าจะต้องท่านี้ปีหน้าจะต้องท่านี้แล้วมัน โอโ้บังคับกันดุนกันแหลกเลยแล้วก็มันเอาเปรียบงบรทชการกกกไปโกงไปอะไรไปก็แล้วแต่มันก็ต้องเอาเข้าเป่าอะ่ะเพราะลักษณะของทุนนิยมเนี่ยโอ้มันยอดอา่ายอดบูรณาการความโลก บ, บูรณาการความเห็นแก่ตัวและกลายเป็นความโกงกลายเป็นความโกงอย่างทัพทวี เป็นปฏิภาคทวีอย่างซับซ้อนนี่คือลักษณะของทุนนิยมวันเรามีลักษณะของบุญนิยมเนี่ยลดเถอะลดเถอะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องทวงสังคมเป็นเครื่องทวงพวกที่มันไปร้อนแรงเราก็เย็นไว้ร้อนแรงก็เย็นเย็นมันทวงถ้าไม่ฉะนั้นไม่มีอะไรทวงพวกนี้โหยยิ่งบ้าเลือดเลยนะยิ่งบ้าเลือดอัตมาไม่อยากพูดนะ พอพูดไปแล้วมันมันไสหน้าอ้วกแตกว่าพวกเรานี่มาถ่วงสังคมในภาษาจำนวนขคำว่ามาถ่วงสังคมก็ถูกด้วยไอพวกนี้พวกถ่วงสังคมถูกพราพวกนั้นมันบ้าดีเดือดก็ถ่วงไว้หน่อยก็ถ่วงไว้หน่อย เขาบอกพวกเราพวกทวงสังคมทำไมคุณรู้อ่ะพวกนี้มาทวงสังคมเขาจะไปรวยเขาจะไปก้าวหน้าเขาจะไปอะไรอะไรอ่าดูที่เนี่ยเขาจะเก่งทางการกีฬาเขาจะอะไรมันก็ทวงหาว่าอบายมุกอะไรอย่างเงี้ขาจะสวยจะงามเขาจะรูจะราจะทันโลกเขาจะอะไรจะนาหน้าโลกแฟชชั่นหาว่าพวกนี้อบายมุก ทวงสังคมก็ <g uck> Xavier, <g uck> เป็นไรเขาว่าเ็าว่าไปเราเข้าใจว่า่วงไว้อย่างนี้แหละถ้าไม่ทวงมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่นะจะรีบไปไหนนรกเรารอคุณอยู่แล้ว <g uck> จะรีบอะไรกันนะกนา <g uck> ช้าหน่อยหนะ้าไปได้วยกัน อย่าไปรีบร้อนนักเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้วิ่งไปหานรกก็เราก็เจ้าหน่อยหนะ้ามาไปก็เล่าเถอะก็ดึงคุณไว้หน่อยไม่ต้องกลัวหรอกหน้านรกเรามันรอคุณอยู่แล้ววิ่งไปหามันอะไรกันะกะนนาพูดไปแล้วก็เหมือนไปตูถูกเขาไปว่าเขาจริงๆก็อาตมาเขาพูดสัจธรรมสู่ฟังแต่เขาก็ต้องพูดจำนวนแบบนี้สมัยนี้ ไปพูดเรียบเรียบไปพูดเรียบร้อยไปอะไ ร, ะไรมันไม่เอาหรอกมันจืดมันต้องฟังไอ้นี่มันด่ากูนิว่าเอออย่างงี้มันก็าฟังจริงคนยุคนี้นี่มันด่ากูนิวะฟังถ้าพูดไปเนี่ยเรื่อยๆร่ เ, รเนี่ยมันจะด่าสุภาพยังไงด่าลึกด่าแรงยังไงสุภาพไป มันไม่กระดีกหูหรอกมันไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรหรอกด่าผูด้ดีด่าป้ายแตด่าลึกด่าแรงยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องก็ด่าผู้ดีอ่ะมันต้องด่ายา ว, ยาวเข้ากับเส้นเลือดของเขาอ่ะเส้นเลือดของเขาเป็นแบบนี้ก็ด่าแบบนี้อ่มันรู้ใช้จำนวนทันเขานี่แหละจำนวนเดียวกับเขานี่แหละโอ้มันรู้ไปจะจำนวนสุภาพจะจำนวนผูด้ดีก็เขาผู้ดีที่น้อยละว่าไป ใช่ไหมบาะคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมลีลาของพลเอกประยุทธ์ถึงเป็นอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ได้รับความนิยมไหมเห็นหมากมันสมสมัยด้ย ม, มันสมสมัยพอกระถูกกัะแหน ก, นกพกูดดีนิดหน่อยแต่ประโยชน์ได้มา ปุดีผูดีผู้อะไรนะว่าไปทำแต่ลีลาก็ไร้การตัตมากขาไม่ได้จำสำนวนโวหารเวลานะเขาย้อนย้อย้อน ย, อ น, <c oughs> ยอนเก่ง <c oughs> ปริยุดจันโอชาเนี่ยนี่ขนาดจันโอชานะถ้าอาทิตย์โอชาแล้วก็เอ้ย <c oughs> นี่ขนาดจันโอชานะ ยังอร่อยขนาดนี้ถ้าอาทิตย์โอชาแล้วรับรองมันหยดเลยยุคมันเป็นอยางงน่ะนะต้องเป็นไปตามยุคอาอาตมาก็พูดไปนี่ก็เป็นเรื่องสรรค่าสร้างคนนะที่พูดเนี่ยจะต้องอธิบายให้มันมีสัตว์มีส่วนอะไรที่ร่วมสมัยสมยุก ฟังเข้าใจได้เข้าใจได้เร็วด้วยนะไอ้ฟังเอาภาษาพระพุทธเจ้ามาพูดนโอ้โหช้าอืดอธิบายไปเถิดแยกแยะวิเคราะห์วิจัยไปเถิดตึ่ตื่นอะรแต่พอเข้าใจพอเข้าใจแต่ยังไงโอเข้าใจดีง่ายนะจริงๆแล้วโลกโลกียะกับธรรมะเนี่ยนะมันอันเดียวกันนะแต่เพียงว่ามันใช้ ภาษาคนละยุคเท่านั้นเองวันถ้าใครฉลาดใช้ภาษายุคที่ให้เขาให้เห็นได้ว่าไอ้นี่อย่าเลยเถิดไปนะเท่านั้นเอาใช้ได้ผู้มีปัญญาก็ชัดเจนพูดที่ใช้ภาษาแล้วแม้ว่าจะเป็นภาษาที่มันโศกโดกหน่อยมันดูมันมันแรงมันหยาบอะไรก็แล้วแต่เป็นสมัยสมัยเนี่ยมันเป็นเป็นภาษาสุภาพเรียบร้อยอะไรนี่ก็ตาม แต่ถ้าเผื่อว่าผู้มีปัญญาเขารู้เขาเห็นว่าเออพูดเนี่ยมันเนื้อมันใช่พูดอย่างเงี้เนื้อมันใช่เนื้อมันใช่เขาจบเขาดูส่วนคนจะยืดมั่นถือมั่นต้องภาษาสุภาพสีต่างแต ท, ท, ท, ที่ไม่เข่าเนื้อเข้าหนังอะไรเลยสุภาพเลยคนนั้นก็ติดยืดแต่ภาษาติดยึดแต่เ อ, อย่างนี้แหละเขาถือว่าผููดีอย่างนี้แล้วก็ถือว่าสวยงาม ต่างๆที่ทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงการปรุงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงการปรุงแต่งคำพูดก็ไม่เทียงไม่เที่ยงการปรุงแต่งํำนวนก็ไม่เที่ยงการปรุงแต่งลีลาก็ไม่เที่ยงก็เดี๋ยวนี้ภาษาไอ้ยิ่งพวกไอ้หนุ่มๆสาวๆไอ้ยุกๆเข้ามาในอาตมายังตามไม่ทันเลยโอ้ย่งภาษาในเฟซบ o ๊กภาษาอะไรก็ามาใโอ้ย อาตมาไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเห็นไหมมันไม่รู้เรื่องแต่อาตมาก็ว่าอาตมาก็ใช้อย่างยุคส่วนส่วนรวมของทุกทุกรุ่นนะไม่ใช่อาจะเฉพาะรุ่นผงโนนเขาเท่า น, นั้นเองก็ใช้พอสมควรก็ไม่ทิ้งเขาทีเดียวก็พอมารู้บ้าง ภาษาของเขามีอะไรจำนวนของเขามีอะไรความนิยมของเขาเป็นยังไงก็เอามาใช้บ้างแต่ตาตมาก็ไม่โรลดแลลมถึงขนาดนั้นเพราะอัตมานะค่อนข้างเอียงมาข้างเก่าไม่เอียงไปข้างใหม่ไม่เอาข้างใหม่ไปเลยเถิดเพราะใหม่นั่นน่ะมันคือสิ่งปรุงแต่งที่ นับไม่ถ้วนส่วนเก่านั่นมันคือแกนส่วนเก่านั่นมันคือแกนเพราะคนเราจะอาศัยสิ่งที่อาศัยได้นานก็คือสิ่งที่อาศัยดีถ้าอาศัยสิ่งที่ไม่ดีมันอาศัยได้ไม่นานเพราะฉะนั้นไอสิ่งดีมันอาศัยได้นาน เพราะฉะนั้นไอสิ่งดีเมื่อมันนานเมื่อมันบานไปอนาคตไกลๆสิ่งไม่ดีมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องย้อนมาหาสิ่งที่ดีที่นานเออไนี่ดีมันยังอยู่อยู่ดีอย่างเงี้เพราะฉะนั้นอย่างอินเดียงี้นะอยู่อีกนานอินเดียอยู่อีกนานจีนน่ะไวไปไว จีนอะไปไวถ้าอาตมาพูดยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกจีนก็คือจีนอินเดียก็คืออินเดียเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเขาจะเป็นยางไงน่ะแต่ไทยนี่คือชมพูทวีปคือกลางกลางเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาไม่มาเนี่ยนะไทยกลางกลางนี่จะถูกเป็นไงไปหามากมากดึงไปหมดถ้าอาตมา ม, มาแมตดึงไวเนี่ยนับรองไปกันพวดพวดไปนวนเลย พระอาตมาจะมาทวงพวกทวงสังคมจะมาทวงกันพระรังใครเขาบอกว่าไอ้พวกทวงสังคมอย่าไปกลรธเขานะเพราะจริงสังคมมันวิ่งไปหาความบ้าสังคมนั่นวิ่งไปหาความบ้าเฮ้ย จะสองตัเ้เบอร์เนี่ยทำไมมันไวจังะและพวกคุณก็ทำเฉยไม่เหมือนกับมันไม่ไปกี่นานเท่าไรเลยไม่เห็นมีใครให้สัญญาสักนิดหนึ่งม่หยิบตาหยิบตาอะไรมืองเลยะไปเรื่อยโอ้โห ทุ่ม48แล้วแต่เมื่อกี้นี่เนี่ยเกือบสมสบนยี 20, ่สเมื่อกี้ผ่าไปยีหนาทีเอาละเนี่ยมันก็เกือบห้าสิบแล้วทุ่มอันนั้นก็เกือบห้าสอีก2งนาทีของอาตมาก็ตรงกันนะเนี่ยเอีกนาทีหนึ่งสองนาทีก็ห้าสบตรงกันนาฬิกาสองเรือนนี่ตอนนี้ตรงกันแล้ะ าก็เอาพอนะอาตมาก็สรุปว่าไว้วขยายความความเข้มแข็งส4สประการนี้เอาความละเอียดละ อ, อฟังดีๆมันก็ที่อาตมาขยายบุญนิยมส2สองข้อก็ค่อยพูดไปทีละข้อทีละข้อลราจะเห็นแนวลึกมันจะมีความซับซ้อนทั้งรูปและนามทั้งโลกียะและโลกุตระ มันพวกเราจะเข้าใจเรื่องโลกุตระนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกุตระมันคืออะไรบางทีเรามีแล้วแต่เราไม่รู้อ๋อเนี่เรามีแล้วนะโลกรุตระแต่เราไม่รู้ว่านี่คือโลกุตระเท่านั้นเองมันก็ค่อยๆว่ากันไปค่อยๆอธิบายแล้วมันก็จะได้ยืนยันว่าเราเป็นเราเป็นเรามีเราได้ถ้าเผื่อว่าเรามีเราเป็นเราได้แล้วแต่เราไม่รู้นี่นะเราเปลี่ยนแปลง เราเป็นแล้วนะเราได้แล้วนะแต่เราไม่รู้ว่านี่ของดีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอื่นได้แต่พอเรารู้ว่าไอ้นี่เราเป็นแล้วเราได้แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ของดีเหอแล้วเรารู้อย่างชัดเจนเลยนะแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนอ้ใช่เออนี่ของดีจริงๆดีแล้วของชัดเจนของดีจริงแล้วนี่คือปัญญาวิมุตคุณมีเจโตวิมุตแล้วแต่คุณไม่รู้จัก เจโตวิมุตต์ก็คุณนะเปลี่ยนเพราะเจโตวิมุตต์จึงไม่แน่นอนแต่ปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันแน่นอนกว่าเพราะมันเป็นปัญญามันมีวิมุตต์แล่มันก็เป็นปัญญามันก็แน่นอนส่วนเจโตวิมุตต์มีวิมุตต์แต่เป็นเจโตไม่เที่ยงหรอกไม่แน่นอนเปลี่ยนได้เพราะมันมีเป็นตัวที่รู้เห็นจริงวอ้มันดีจริงๆเหรอมันไม่มีตัวนี้ มันต้องปัญญาวิมุติมันจึงจะสมบูรณ์มีแต่เจโตเฉยๆไม่สมบูรณ์นะอ้าวสหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอ้าวทีนี้ก็ว่าไปใครจะพูดใครจะถามโอ้โหอ้าวิงไมย้ยกมือก่อนเอือนเลยมันเกิดอะไรขึ้นอยากถามซะจริงเนี่ย รีบยกยังไม่ทันได้นั่นเลยนะอะไรมันจี้หัวใจนะอา้าลองดูลองดูสิลองดูลองดูอด้าเอ า, เอาคนนะั้นยกมืออื่นคนยกมืออื่นต่อก็เอามวยกระฟ่วนไปเดินทางไปอาสองอันนะเดสมันมันชนกันกราบนมัสการพรอครูท่านสมณะท่านสิกมามาเจริญธรรมค่ะพี่น้องชาววนอบอและชาวชุมชนทุกท่านค่ะ วันนี้ได้ฟังทาก็รู้สึกประทับใจมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีความเห็นนะคะมีความขอความคิดเห็นนะค ะ, ะดิฉันในานามตัวแทนของพี่น้องบอบอนะค ะ, ะก็เลยอยากจะเรียนถามพ่อครูว่าการที่เราจะทําดังนี้มันเหมาะควรหรือไม่ดังนี้ก็คื อ, อ สืบเนื่องจากการที่กลุ่มวนอบอที่มีความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันประมาณ50คนนะคะอยู่ในพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่นะคะมีความคิดเห็นว่ า, าในการทําทงานเจรอบสองเนี่ยทางพวกเราเนี่ยจะขออนุญาตทําทในที่สหกรณ์บุญนิยมเนี่ย เพื่อที่จะนารูปแบบการทำสบอสจากอาจารย์อเนกเนี่ยมาใช้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นซึ่งท่านอาจารย์อเนกท่านก็ท่านก็มีความมุ่ง ม, มั่นที่จะทำให้การศึกษาที่ทางเราได้จัดขึ้นเนี่ยให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นทางกลุ่มของบนาบก็เลยมีการประชุมกันนะคะ ประมาณได้50คนแล้วก็ประชุมอยู่ทั้งนอกพื้นที่และในพื้นที่ก็อยากจะให้พี่น้องชวาวบอลบที่ได้ร่วมประชุมกันได้ยกมือให้ให้เห็นว่าพวกเรามีความเห็นตรงกันอย่างนี้ค่ขะขอเชิญยกมือได้เลยนะคะค่ะค่ะหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นที่จะร่วมก็ยกมือได้นะคะ คำว่าความเห็นร่วมนี่ก็ขอสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าคืองานเจรอบสองเนี่ยที่จะเกิดบันทียี่สี่เนี่ยทั้งด้านการศึกษาอยากจะใช้วิธีการระบบของสวอตคือความด้อยกับความความอ่อนกับความแข็ง สองด้านนะเป็นความรู้ทางทฤษฎีที่โลกเขาใช้อยู่อัตมาก็เห็นด้วยนะอันนี้นะมันเป็นความจริงถ้าคนเราไม่รู้จากความด้อยความความความแข็งความอ่อนของเราเนี่ยอะไรแข็งไปอะไรอ่อนไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราปรับเราไม่ปรับแข็งก็แข็งเกินไปอ่อนก็อ่อนเกินไปมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนานะอันนี้มันเป็นเรื่องสัจจะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องดีนะ เพราะงั้นถ้าอันนี้จะทำเนี่ยอาตมาก็คิดว่าพวกเราก็ช่วยกันคิดจริงๆนะมันดีแต่ว่าอาตมาว่ามันขัดข้องอยู่ตรงนี้นที่มันขัดข้องอยู่ขณะเนี้ยที่บลบ ม, มีอะไรอะไรหลายๆอย่างนำเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ยากเนี่ยเพราะว่ามันไม่เข้าใจคนพื้น คนที่นี่หรือแม้แต่คนที่เป็นชาวส่งเองมาเป็นวนอนบวกก็ตามมันยังไม่ใช่นักศึกษามันยังไม่ใช่คนที่จะไปเอาระบบระบบของการศึกษาทั้งหมดมาใช้ได้ทันทีพวกเราเป็นพวกลุกทุ่งหรือพวกเฉยๆก่อนเพราะฉะนั้นทางโน้นก็เอาเข้ามาเร็วหน่อยเอเร็วแล้วได้อดอมาไม่มเกี่ยงนะสิ่งที่มันดีอย่างมันเร็วแล้วมันได้ก็เอา แต่ถ้ามันยังไม่ได้นะเนยราก็จะต้องดูความจริงเออมันมันดีแต่มันยังไม่ได้มันไม่ได้ก็เกิจากความยังไม่พร้อมยังไม่ครบพร้อมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จึงใช้วิธีการเนี่ยอย่างที่ทําเนี่ยโหวตกันไปเรืองกันไปถ้าอย่างไรก็พยายามอาตมาว่าอยากจะบอกพวกเราอยู่อย่างนึงว่าจะเสนออะไรก็เสนอ จะมีความคิดอะไรนำมาก็นำมาแต่อยา่าครอบงาทางความคิดอย่ากลอบบี้อย่าหาวิธีที่จะให้ชนะโดยที่ไม่เอาความจริงของคนเนี่ยจิตของเขาพรอ้อมหรือเปล่าจิตของเขาไม่ใช่เราถูกเราครอบงาทางความคิดจิตเราปลอบบี้เขาให้เจอเขาจำนวนแล้วก็ได้ชนะ ไอ้อย่างนี้มันไปไม่ออกไอ้อย่างนี้มันปลอมไปละงานเสียถึงได้ก็ได้อย่างไม่สมบูรณ์ได้อย่างกระโโกกรเพลกไปไม่นานนะเพราะวิธีของคนที่ใจร้อนอยากหนึ่งมีอัตราอยากจะเอาให้มันได้ตั้งที่เราต้องการนะนะสอง นหนึ่งยังจะเอาได้าตามต้องการสองมันเป็นอัตตาอยากได้ตรงการแล้วมันเป็นกิเลสอัตตก็คือฉันจะต้องชนะนฉันจะต้องชนะมันมีแข่งในทีกันทั้งนั้นกนะ็นเป็นอัตตาด้วยมันเป็นกิเลส อยากได้ไปอย่างโน้นอย่างนี้ด้วยพุ่งไปด้วยแล้วก็เป็นอัตราเราท่นต้องชนะด้วยซึ่งมันมันทำให้เสียถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเสียทั้งนั้นนะนะพระญะหนึ่งเป็นแนวลึกหรือความลึกซึ่งว่าต้องพยายามเอาความจริงจากคนพร้อมพระพุทธเจ้ า, ยาถึงมีสิ่งที่สําคัญมากอยู่สิ่งหนึ่งคือคําว่ายินดีคนต้องมีความยินดีคําำว่ายินดีในหมายคำว่า ใ, ใ, ใจคนมันพร้อมยินดีเนี่ยใจคนมันเออเอาเห็นด้วยดีเอาความว่ายินดีมันไม่ได้หมายความว่าฟูใจนะยินดีนหมายความดีใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟูใจยินดีไม่ใช่ใชใความดีใจฟูใจนะความยินดีนีๆๆ่คือยินดีเอาพร้อมเอานี่คือความสําคัญเพราะฉันทะตัวนี้หรือความยินดีตัวนี้เนี่ยมันคือความพร้อมของคน เพราะถ้ามันไม่เกิดตัวนี้นะอะไรก็ไม่ได้ไม่ว่าแสงอรุณก็ต้องมีฉันทะไม่ว่าอิธิบาลก็ต้องมีฉันท ะ, ะแม้แต่มู ล, ลสู่ก็มีฉันทะเป็นมูลถ้าไม่ฉันทะมาก่อนล้วไปไม่รอดเลยคือความเห็นด้วยเห็นดีเอออันนี้ใช่เพราะจะอยากเข้าใจว่าความยินดีในหมายความว่าเป็นความปิติเปลือปราบปลือยไม่ใช่ ยินดีคือความเห็นดีเห็นเห็นด้วยยินดีนี่คือความเห็นดีเห็นด้วยเกิดจิตเปิดไงจิตเปิดต้องมีจิตเปิดตัวนี้นำแล้วทุกอย่างจะไปได้ที อ, อ้าวว่าไงไมีขอขอนุญาตเ <ไป S 1> สริมขออนุญาตเ <ขอ S 2> สริมคับ<อ> ะจะขออนุญาตเสริมประเด็นที่ป้ามิ่งนําเสนอเมื่อกี้ค่ะทีอะ่อาจจะยังไม่ครบอาจจะยังพูดไม่หมดเมื่อกี้นะคะคือจริงๆแล้วที่เราคุยกันเนี่ยมันมีอย่างน้อย3ามประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องการศึกษาที่อาจารย์อันเอกนําเสนอว่าต้องการอยากจะได้ผลเพราะว่าการทําสวอตมาสองครั้งเนี่ยอาจารย์สอบถามเช็คมาทั้งสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทําแล้วก็เกิดผลทางด้านของลงสีนะคะ ปรากฏว่ารอดที่2มาอาจารย์ก็ตามไปดูปรากฏว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่ว่ามันไม่สามารถเป็นไปนอย่างที่คาดแต่ก็พยายามจะฟังเหตุผลที่เราชี้แจงไปรอดที่สองที่อาจารย์ไลน์มานะคะแล้วก็ถามซ้ํามาสองสาครั้งเนี่ยว่าอยากจะได้ผลซึ่งเราก็รู้ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยความไม่คุ้นเคยอย่างที่ พ, อพ่อครูพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงนะคะมันไม่คุ้นเคยแล้วก็มันยังไม่การรับรู้มันยังไม่ชัดเจน นะคะแล้วตัวคนชาววนวอเองที่เรียนเองก็ยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการที่จะนำเสนอลักษณะเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ครั้งที่3ที่เราจะคุยกันเนี่ยว่าถ้าแมนสองครั้งแล้วเราก็ยังไ ม, ไม่ไม่มีความคืบหน้าในการรายงานผลของการทำ ง, งานครั้งที่3าเนี่ยน่าจะคุยยากนิดนึงกับกับคนสอนเพราะงั้นเถอะว่าเขาคงจะรู้สึกว่าเอ๊ะความเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยเอาเรื่องเอาลาวเลย อาการแย่ยิ่งกว่าคนทั่วไปไอ้เนี่ยประเด็นหก อ, อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ฟังดูอาจารย์เขาก็อยากจะฟังผลน่ว่ากันเถอะว่ามีอะไรพัฒนาขึ้นหน้าบ้างไหมถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือเหตุสืบเนื่องจากาหลักสูตรการศึกษาที่สืบเนื่องที่เคยเรียนพ่อครวไว้ว่าเราจะมีการนัดสัมมนากันในเรื่องของการบูรณาการการศึกษา วันที่ยี่สิบเก้าส็ซึ่งอาจารย์เอกนัดหมายไว้เดิมนะคะเกอวนะันที่ยีบวันนี้แต่แต่เรายกเลิกแล้วค่ะพ่อท่านคะยกเลิกแล้วค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคือสืบเนื่องจากอ้อยที่อยู่วสวเข้ามาหารือกันว่าเขาอยากจะขอฟังความเห็นว่าบูรณาการการศึกษาในมุมมองของชาวนวานาะวมันแปลว่าอะไรเพราะเขาจะไปใช้กับหลักสูตรของวสวซึ่งดิฉันเองก็เลยบอกเข้าไปว่าถ้าจะแค่วสวมันไม่น่าจะ ไม่น่าจะจบมันน่าจะคุยกันทั้งระบบชุมชนนะคะก็เลยนํามาสู่การนําเสนอว่าน่าจะจัดกันทั้งชุมชนและสุดท้ายเมื่อ2อสมวันที่ผ่านมาก็ได้มีการคุยกันกับทางสมนะที่ดูแลคือท่านฟ้าไทยทเสกมาศกล้าข้ามฝันแล้วก็เสกมาศผาแก้วแล้วก็ทางวสว ร, รู้สึกจะครบทีมแล้วก็อาจารย์ค้าดินแล้วก็มีอีกหลายคนของทีมวอบอที่เข้ามามาร่วมรับรู้ส่วนท่านมือมั่นบางเอิญวันนั้นยังไม่มีใคร เชิญมาหรือยังไงไม่ทราบข้าหนก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่ว่าในมุมมองเรื่องของการศึกษาคือเรามองว่าโจทย์ที่อาจารย์อนเนกฝากไว้ในที่ประชุมการทําสวอตก็คือว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเช่นต้นไผ่เออพอเราลงไปจะกลายเป็นบ้องกัญชามันก็จะทําให้เกิดการขาดขาดตอนในช่วงของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งต่อยอดกันเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนปลายไอ้นี่เป็นโจทย์ที่ถูกฝากทิ้งไว้เป็นประเด็นสําคัญ และนี่คือที่มาที่จะนำมาสู่การนำเสนอเรื่องของการบูรณาการการศึกษาแต่บังเอิญว่าเหตุปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงก็คือว่ามีการตัดสินใจจัดงานเจครั้งที่สองในวันที่23นะคะก่อนวันสัมมนาและไปจบที่วันที่สองก็เลยต้องยกเลิกนะคะเมื่อต้องยกเลิกเกิดขึ้นแล้วประเด็นที่ว่านะเราจะเราจะมีการนัดหมายกันเมื่อไหร่นะคะทีนี้ในที่ประชุมก็เลยนาเสนอว่า ประเด็นที่ฮอตยิ่งกว่าก็คือเรื่องของการต่ อ, ต, อ, ต, อต่อการศึกษาต่อยอดการศึกษาของเด็กม .6 ที่กำลังจะจบในเทอมหน้านะคะแล้วกรณีของวศวที่จะต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีเราจะมีทางออกอย่างไรให้กับเด็กอันนี้ประเด็นนี้มาฮอตก่อนก็เลยสุดท้ายก็ได้บทรสรุปว่าถ้าหลักสูตรของอาสมศสิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาผู้ประกอบการสังคมจะเหมาะสมกับทาง ชุมชนของอโศกหรือโดยเฉพาะเฉพาะบ้านลาดอันนี้เรายังไม่รวมของพุทธสถานอื่นนะคะว่าเข้าเจาด้วยหรือไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะนำหลักสูตรนี้มาพูดคุยกันมันอาจจะทำให้เห็นทางออกของเด็กนักเรียนของเราเพราะว่ามันเป็นความเหมาะสมว่า ก, กิจการของชาวอศกมันล้วนจะมีกิจการที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโรงสีโรงปุ๋ยฐานงานต่างๆมันก็คือผู้ประกอบการสังคมนั่นแหละ ถ้าเด็กเราสามารถเรียนต่อได้อันนี้กรณีนี้คือติ้งติ้งดาวตะวันก็นําเสนอในที่ประชุมว่าเด็กที่เราบ่มเพาะมหกปีเต็มนะคะตั้งแต่ชั้นเด็กจนถึงชั้นหมหเนี่ยะจะบอกจะเปรียบเทียบเหมือนการเพราะงอกกล้าไม้นะครับมันก็เริ่มเติบโตทีนี้เมื่อเราไม่มีต่อยอดการศึกษาอีก4ปีในช่วงที่เป็นปริญญาตรีโยนเข้าเข้าไปอยู่สังคมข้างนอกโดยที่เราก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้มันก็น่าเสียดายว่าถ้าต้นไม้จะเติบโตแล้วงอกงามในพื้นที่ที่ไม่ได้ ที่ที่ไม่ได้ปลูกฝังมาที่ท่านเราเอาเด็กเราเนี้ยมาเรียนต่อแล้วมีเหตุปัจจัยที่แรงจูงใจมากเพราะว่าเมื่อเขาจบออกไปเนี้ยชีวิตของเขาน่าจ ะ, ะเป็นที่ต้องการของสังคมไม่ว่าจะในฐานะที่เขามีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการเองไปทํางานที่ไหนใครๆก็ต้องการหรือจะเปิดกิจการของตัวเองก็น่าสนใจหรือแม้จะอยู่ในชุมชนเราต่อไป ก, ก็โอเคทั้งสิน้นไอ้เนี้ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ที่ก็มีการพูดกันว่าน่าจะได้มีการพูดคุยกัน และอาจารย์ณเนชก็ตอบกลับมาแล้วก็คือนัดเป็นบ่ายวันที่8พฤศจิกายนเพราะว่าที่ประชุมว่าให้คุยแค่ครึ่งวันถามแค่ประเด็นเรื่องของหลักสูตรว่าจะสอดคล้องกับเราหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเพียงใด น, นะคะซึ่งก็ถือว่าถือว่าแจ้งในที่ประชุมด้วยว่าบ่ายวันที่8บ่ายวันที่8พฤศจิกายนที่ปฐมอระสงคนะครับคุยกันประเด็นเรื่องนี้ในเรื่องของการศึกษาต่อประเด็นที่ตามมาก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นบอบซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการสูงสุดของชาวอโศกเนี่ย เราจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะเตรียมรับมือกับหลักสูตรนี้ถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนรู้เห็นเป็นใจว่าน่าจะมีการานำํำเด็กสวสสวหรือเด็กม .6 นี่เรียนต่อชั้นอุดมศึกษาในหลักสูตรของอาสมศิลป์ผู้ประกอบการสังคมสิ่งที่เราตระหนักก็คือว่าภารกิจของชาวานบอที่ต้องทํางานในการทําระบบเอกสารหรือหลักสูตรเพื่อจะรองรับหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม ตรงนี้อย่างไรนะคะซึ่งตัวอาจารย์อนเนกก็คงไม่สามารถช่วยเราได้หรือแม้กระทั่ง อ, องค์ขาพยพอื่นที่อาจารย์อนเนกไปทําไว้ทั่วประเทศเนี่ยกไ็ไม่น่าจะไม่น่าจะสอดคล้องกับเราเพราะหลักสูตรของชาววนบอก็คือ 70% ที่เข้าสู่โลกุตระเนี่ยเป็นเนื้อหาที่พุ่งเป้าให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาเจ็ดมิญญาณของตัวเองได้ส่วนอีก3 0มที่เหลือที่เน้นในการในการหาความรู้ทางโลกเพื่อเพิ่มโลกาภิถูในการที่จะ ทำให้ตัวเองสามารถโลกานุกรรมปายะได้เพราะการที่รู้ยิ่งมากเท่าไหร่ที่เป็นโลกวิถุก็ยิ่งทำให้เราสามารถโลกานุกรมปายะได้เท่านั้นอันนี้ที่ดิฉันมองถึงความสัมพันธ์ของสามโลกที่ว่ามานะคบไม่ว่าจะเป็นโลกุตระโ ล, ะละโลกวิถุและโลกานุกรรมปายะแล้วนี่ก็เป็นประเด็นเสื่มเนื่องที่จะทำให้ชาววันรบอรเองแต่ละคนเนี่ย สามารถกำหนดบทบาทในสัมมาชีวะของตัวเองได้ว่าตัวเองจะทำที่จะฝึกงานแล้วก็บันทึกความเชี่ยวชาญของตัวเองทั้งในฐานะไม่ว่าจะในฐานะของผู้ประกอบการหรือแค่พนักงานหรือผู้บริหารหรืออะไรก็ตามแต่แต่ละคนจะสามารถเลือกที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ในเส้นทางนี้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ลงไปในสิ่งที่ตัวเองจะฝึกฝนในความเป็นในสัมมาชีวะที่ตัวเองจะใช้เป็นอาศัยทุนในการสร้างบารมีในความยาวนานของสังสารวัตร เราก็เลยคิดว่าด้วยเหตุผลสองสประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราคิดว่าถ้าเราสามารถทําได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อกลไกการศึกษาถ้ามันเกิดขึ้นมันกําไรมา1ปีแต่ถ้าเราไม่ทํารอบนี้แล้วเราร อ, ร อ, ร, อรอบต่อไปอก็อีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือมันก็คงจะยังมีอะไรที่ยังไม่สามารถลงตัวในเรื่องของกิจกรรมทางชุมชนในการที่ตามรู้ได้อย่างที่พ่ อ, พอครูกังวลเมื่อกี้ซึ่งเราก็ตระหนักอยู่ในเรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่ตระหนัก แต่การตระหนักกับการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอาเหมือนกันว่าควรทําคุ้มหรือไม่คุ้มอเ น, นี้ไม่ใช่ประเด็นคือวอนอบเองไม่ได้ติดใจตรงประเด็นนี้แต่เป็นประเด็นที่จุดชนวนขึ้นมาเพื่อหาหรือในเชิงนโยบายเท่านั้นเองว่าภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ในเรื่องของการศึกษาของอโศกหรือโดยเฉพาะชาวบ้านราศดในการเตรียมทําหลักสูตรสาหรับเด็กรุ่นต่อไปด้วยอาศัยสิ่งที่ตัววอนอบเองได้ศึกษาเรียนรู้มาเพราะมันต้องลองผิดลองถูก หลักสูตรพวกนี้เราไม่มีในท้องตลาดในโลกยังไม่มีเลยเราก็เพิ่งเงเริ่มต้นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ทําทแล้วมันมันจะใช่หรือไม่ใช่แต่คิดว่าในฐานะที่เราทาตรงนี้มาเนี่ยดิฉันก็มองว่า การประกอบสัมมาชีวะก็เป็นกิจกรรมในการที่จะเราจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่โลกุตระเพราะนเนื้อหาในการพัฒนาในการทําสัมมาชีวะของแต่ละคนซึ่งจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันและแต่ละคนก็จะมีบทบาทภารกิจที่แตกต่างกันและนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะบันทึกว่าในภารกิจที่แต่ละคนรับผิดชอบมาเนี่ยในทางวิชาการที่เป็นโลกวิถูเนี่ยมันควรจะต้องทําอะไรแค่ไหนอย่างไรตัวเขาได้ทําอะไรได้ทําได้มากน้อยแค่ไหน พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับกระบวนการเหล่านั้นเกิดขึ้นไอ้นี่ต่างหากที่เป็นที่ทําให้เราคิดว่ามันจริงจะเป็นบทสรุปที่คิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วก็ทําในรูปแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเห็นร่วมกันมากก็ทําเรื่องได้เยอะจริงๆแล้วเราเคุยนแค่แค่10บคนเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าพอข่าวสะพัดไปคนสมัครเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็น 40- 50คนขึ้นมาได้ภายในเวลาแค่วันเดียวประเด็นมีแค่เนี้ค่ะ ที่เหลือนอกนั้นก็คิดว่าแล้วแต่พ่อครูจะเห็นสมควรว่าควรหรือไม่ประการใดขอบคุณคคุณพูดนะพูดถูกนะอาตมาก็เข้าใจและเห็นด้วยแต่ว่าคุณพูดมันมันเยอะนะคนเขาก็เลยฟังยากมันเยอะแต่คนที่ตั้งใจฟังจริงๆก็จะรู้ว่าหมายอะไรนะหมายอะไรก็เข้าใจอยู่นะ จริงๆแล้วนี่นะอาตมาว่าอย่างนี้มันมีเหตปัจจัยอยู่หลายอย่างเหตุปัจจัยที่เราทำอะไรชา้าเนี่ยมันไปไปตามที่เป็นควรจะเป็นขณะนี้นี่อาตมาก็ให้มันเป็นอยู่บ้างให้มันเป็นอยู่บ้างเพื่อทวงจริงๆแล้วอาตมาน่าจะเสริมน่าจะส่งให้มากกว่านี้แต่อาตมาเองไม่ส่งเองอะทวงทวงไว้อยู่ จริงๆแล้วอะมันน่าจะส่งกว่านี้แต่อาตมาต้องการทวงเพราะต้องการให้มันขัดถ้าทวงแล้วมันขัดถ้าไม่ทวงแล้วมันก็จะไปเร็วแต่ที่อาตมาประมวลเนี่ยประมวลอยู่หลายครั้งหลายชั้นอยู่นะประมวลอยู่หลายครั้งหลายชั้นเช่นเจนครั้งที่แล้วเจที่ผ่านทุกผ่านมาเนี่ย คนมันมากกว่าเก่าใช่ไหมคนที่ไปร่ ว, รวมร่วมงานเจปีนี้มากกว่าพวกที่ไปช่วยงานนะมากกว่าใช่ไหมอไอ้เรื่องแขกอาตมาไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องแขกแต่เอาเรื่องพวกเราเนี่ยหนึ่งคนมากกว่าสองความลงตัวได้ดีกว่าสา การขัดแยง้งความสูญเสียหรือว่าเรื่องของความไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรนี่ก็ไม่ได้มากขึ้นอาตมาดูข้อมูลแค่นี้อาตมาว่ามันเป็นการพัฒนาแล้วนหนึ่งจานวนคนมากขึ้นก็พัฒนาป ร, ปริมาณสองในคุณภาพในเนื้อหาของมันมันก็ไม่ได้เสื่อมกว่าเก่ามันก็ดูที่เก่าอยู่เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเป็นเครื่องชี้บ่งแล้วเป็นอันชนี้ชี้ค่าไฮเดรมาเอามาใช้ได้ว่ามันคนก้าวหน้ามันขัดแย้งกันอยู่ตรงที่ว่าพวกเรานะ่ยมันมีการยึดมีการค้านกันอยู่ในทีมีการยึดมีการค้านกันอยู่ในทีมันก็เลยชาอันนี้ว่าเป็นธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมชาติมันก็เป็นธรรมดานะ แต่อัตมาก็อยากจะไขความเลยจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมันพร้อมอยากจะไขความตรงนี้พวกเรามันพร้อมถ้าไม่มีตัวจุดเนี้ยตัวจิตมันยึดว่ามันยังไม่เต็มที่ไม่อยากให้มันยังตุวงทวงอย่างนี้ถ้าคุณไปตรงนี้นะ่ารับรองว่างานจะรุ่มกว่านี้เยอะเลยคุณลองคิดดูสิถืออัตมาพูดในจิตจะจริงไหมถูกไหม งานจะรุ่งกว่า น, นี้เยอะเลยจิตเท่านั้นนะนอนนั้นพวกเราพร้อมนอนนั้นพวกเราพร้อมเพราะมันไม่มีอะไรใหม่มันไม่มีไร้ยากมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของพวกเรางานที่ทำเนี่ยเพราะถ้าจิตตัวนี้คุณปลดได้นะโอ้โหงานนี้รุ่งเลยและมันจะซับซ้อนอัตมาจะท้าให้เลย จะเหนื่อยน้อยลงกว่านี้ความเหนื่อยเนี่ยมันเกิดการจากการต้าน้วยจิตตัวเองนะฟังเข้าใจไหมความเหนื่อยเนี่ยมันเกิดจากการต้านจากจิตตัวเองจิตตัวเองไม่เต็มใจนี่แหละมันต้านแล้วมันเหนื่อยถ้าจิตของคุณไม่ต้านนะนะถ้าคุณเป็นชั้นท้าด้วยนะไม่มีเหนื่อยแล้วแรงก็เยอะด้วยแล้วพุ่งด้วย เพรานะนั้ไอการที่มีอัตตาตัวอัตตานี่คือตัวอัตตานะอัตตาเนี่ยเป็นตัวร้ายถ้าเต็มเต็มตัวก็คืออัตตามาณนะก็ถือดีของตัวเองมันยึดตัวเองถือดีตัวเองถ้าปลดตัวนี้ได้แล้วรวเลยทุกวันนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยอัตมา ด, ดึงพวกเราอยู่ทวงพวกเราอยู่แล้วพวกเราขัดเกาลาระบังก็ได้ดีได้ดีเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นอัาพวกเรา ปลดตัวที่พูดเมื่อกี้นี่เนี่ยบ้างาปดบ้างอาตมาไม่ได้มาบอกว่าบังคับหรือว่าให้คุณทำเต็มที่อะไรเลยนะอยู่ที่ใครตัวใครตัวมันด้วยาอาตมาก็บอกไปกลางๆปลดบ้างจะรล้ววันนี้เลยพูดมาแล้วนี่ทั้งหมดเนี่ยประเด็นที่นิ่งหมายพูดขึ้นมา อาตมาก็อยากจะพูดความเห็นของอาตมาบ้างว่าคราวนี้ควรจะต้องทำสวอตไหมความเห็นของอาตมาควรทำอย่างยิ่งความเห็นของอาตมานะควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าเราเองเราก็มาเรียนแล้วแล้วเราก็จะต้องใช้สวอตเนี่ยมันทิ้งไม่ได้หรอกมันเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยนะ ไม่ใช่หลักการของโลกหรอกโลกน่ะตามหลังพระพุทธเจ้าทุกอย่างอับอกให้อะไรที่มันดีๆใช้ได้มันตามหลังพระพุทธเจ้าทุกอย่างอะนะมันต้องใช้เราไม่ใช่ใช้ได้เท่านั้นมันต้องใช้อะเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงวันนี้มาถึงวารานิวินาทีนี้แล้วเนี่ยมันมีผู้ที่จะช่วยมันมีผู้ที่ถนัดที่เข้าใจที่จะเสริมสารและพวกเราก็มีผู้ที่จะ เป็นมวลที่จะทำแล้วด้วยโอกาสให้ทำมีเห็นไหมในโอมันมีอยู่แล้วโอสวอตในโอมันมีอยู่แล้วถ้าคุณไม่ใชโอนี้แล้วคุณจะไปใชโอไหนไ่ใ ช, โ อ, ใชโอเลียงเหรอหรือใช้ใชโอย เรียนกันมาอยู่ยบยบโอสวอตอ่ะฮะมันถ้าถถทําโอได้ทีก็จะเจริญทันทีโอ <Okay. S 1> ทีเลย <laughs> นี่เป็นโอแล้วเป็นโอกาสแล้วนโอกาสแล้วใครที่ไม่ได้เข้าสวอตสวเวอร์กับ เ, เขานั่นก็ ต, ตามเขาหน่อยโออะไรโอ น, นี่ก็โอกาสเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆโอกาสนี่โอมันก็ โอกาสนั่นแหละมันเป็นช่วงนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะทำมถึงเวลาถึงโอกาสที่จะทำเพราะมันจะต้องทำนะมันถ้าคุณปลดใจกับตัวนี้หน่อยน่อยเดียวต่นนั้นเองอาตมาวันมันขัดข้องอยู่แต่าพวกเรามันทวงกันไปทวงกันมาจริงๆแล้วนี่นงานเจคราวนี้เนี่ยนะคนไม่เหลือหลอเราอยู่ในบ้านราษเนี่ยมันไปหมดอยู่แล้วแล้วจะไปอะไรกันอีกก ก็ไปให้มันเต็มใจกายมันไปหมดแล้วให้มันเต็มใจตอนน้เด็กก็จบมันก็เหลือคนที่รับหน้าที่จริงๆยางจังอยู่ที่นี่เท่านั้นนิดหน่อยไม่กี่คนเลยพองานเจที่นี่เงียบยังกับผีหลอกมันลากะแล้วก็มีแต่พวกช่างที่มาจาก หมู่บ้านหรือเขาประชูที่ดีประจงวันกับพวกช่งางก็อยู่กันทางานแล้วก็มีพวกเราอยู่ดูแลคุมบ้างหน่น้นนั้นก็ไปทาที่โ น, น้นกันกหมด <c oughs> เพราะยังเหลือใจนิดเดียวการไปหมดแล้วมันไม่ปไปอยู่แล้วมันต้องทาอยู่แล้วพวกเราไม่เต็มใจาถ้าเต็มใจก็จบละไม่มีอะไรหรอกนิดเดียวนะเหลืออีกนิดเดียว เอ า, าไม่ต้องไปหวอไม่ต้องไปคิดไม่ต้องพูดอะไรทํากันแล้วกันทำกันแล้วกัน ท, ท, ทําไปเถอะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเพราะมันต้องทําอัตมาเห็นแล้วว่านี่ก็เป็นโอกาสอยู่โอกาสแบบโอกาสที่จะต้องทำมันไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ยากมันไม่ใช่โอกาสหาได้ง่ายข้อไปไม่ใช่หาได้ยากมันไม่ใช่อากาศหาได้ง่ายมันหาคาได้ยากนะมันนี่มันมีโอกาสแล้วเป็นโอกาสแล้วควรทํา โอกาสต่อ น, นิดเดิงค่ะถ้าพระครูเห็นสมควรก็ข อ, อนัดเป็นวันเสาร์ที่11ซึ่งเป็นปกติวันที่มีการเรียนเสาร์ที่จะถึงเนี่ยไม่มีอาจารย์มานะคะพออาจารย์วิชัยไปไปอเมริกาน่าจะใช้โอกาสนี้เสนอที่ประชุมว่าใช้โอกาสนี้ในการเอาสวอตเก่าที่ทํามาแล้วมาทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราทําได้ดีตรงไหนแล้วจะพัฒนาไปยังไงผู้ใดจะสนใจผู้ใดจะเห็นว่าอย่างที่อาตมาพูดเห็นว่าเออ ก, ก, ก, ก็น่าจะลองดูนะเราจะดูดูสิว่าอะไรกัน จะทำไงไม่ได้เอาตาดูหูแลไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่พัฒนาไม่ต้องไปกลัวมันจะใช้ภาษาอย่างรู้ราสวอตสวเวิร์ดอะไรก็ช่างหัวมันเธอเราก็ขี้ไก่นี่แหละเราไม่ต้องไปเรียนสูงเรียนเสริมอะไรก็ฟังมาดูมันพูดอะไรกันวะมันพูดภาษาไทยเราเขาไม่พูดภาษาฝรั่งกันหรอกก็แกล้งแต่ว่สวอตนั่นแหละภาษาฝรั่งแต่มาพูดกันจริงๆเนี่ยมันก็พูดกันภาษาไทยมันรู้เรื่องนะ มาดูเรื่องไม่ต้องห่วงหรอกมาฟังมาดูที่มันอะไรกันมั่งตั้งใจฟังเขาว่างเจะเข้าใจเพราะว่ามันอธิบายกันมันมันเรื่องเนื้อหาเรื่องความวิธีการในการที่จะจัดสรรการจัดทํางานกันนะั่นอะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกจรงิงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องสูงส่งอะไรหรอกมันเรื่องสามัญที่คนเราที่ฉลาดแล้วก็เอามาใช้ใมันได้ เมื่อฉลาดแล้วเอามาใช้ได้มันก็ได้ประโยชน์เท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่เรื่องสูงสงไม่ใช่เรื่องเตี้ยเตี้ยต่ำอะไรมันเป็นเรื่องสามัญมันเป็นเรื่องเ อ, อ้ยนี่นะคนศึกษาเรียนรู้ซะดีๆแล้วก็เอามาใช้มันเป็นวิธีการวิธีการที่ดีในการไปพัฒนาสังคมพัฒนาหมู่กลุ่มพัฒนาให้มันดีงามเท่านั้นเองนะแล้วมันก็เรียนคําวัสวเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าไปถึงประมัตด เข้าไปถึงจุดด้อยจุดอ่อนแอกับจุดที่เรามันมากไปจุดมากไปก็จุดมันไปไม่พอท่านน่นเองมาปรับให้มันพอดีเนีปรับปรับให้มันพอเหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันก็คือองค์ประกอบของ สังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายการจัดการทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสัพพุริสธรรมมันอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในสังขารอาภิสังขารนี้ทั้งหมดเลยเนีย่คือการเอามาจัดการเอามาบวกลบคูณหารกันให้ได้สัดส่วนมัดตันหยุตาให้ประมาณให้พอดีแล้วมีอะไรทั้งหมดนะอย่างสุริสธรรมเจ็สัพพุริธรรมเจ็ดนี่ให้รู้ ธรรมะรู้อัถฐะก็คือรู้สิ่งทั้งหมดธรรมะอัถฐะก็คือเนื้อหาเป้าหมายเพราะเรามาดูสิว่าเนื้อหาเป้าหมายแล้วทีนี้ก็มีบุคคลปุกระประโรปรัญยุตก็คือพวกเราทั้งหมดอ้าวขอไปปุคระปโรปุตาคือแต่ละคนแต่ละคนจุดีจุดด้อยของแต่ละคนบุริสันต์า อ, อะไร บริษัยุตาก็คือสังคมกลุ่มว่าพวกเรามีใครบ้างรวมเท่าไหร่และแต่ละคนมีจุดด้อยจุดเด่นอะไรเท่าไรจุดบกพร่องจุดที่เกินไปเท่าไรรวมกันแล้วเท่าไหร่ก็คือสมมติทั้งนั้นเลยแล้วก็เอามารวมสิการันยุตาก็โออัพพอร์ตูนิตี้การันยุตาก็ต้องรู้เวลาการละ ส่วนตัวบุคคลจริงๆของพระพุทธเจ้านะั้นชัดยิ่งกว่าสวอตอีก็คือเจาะเข้าไปที่อัตตันยุตาแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจให้ดีแล้วละวางแล้วลดหรือเพิ่มอดดอยก็เพิ่มไอ้เกินก็ลดอัตตันยุตานี่ของพระพุทธเจ้าเก่งกว่าของสวอตสวอของมันนั่นอัตตันยุตาเนี่ยตัว เยี่ยมเลยนะพระเอาสัจจะพวกนี้มาประมาณนเจ็ประการนี่อัตธรรมะอัตตัญญูตาในตัวที่อัตมาพูดตัวสุดท้ายมัตตัญญูตาคือการจัดสรรส่วน ส, สังขารปรุงแต่งจัดสจัจัดส่วนนอก น, นั้นก็มีการัญญูตาก็พูดไปแล้วอปิจติตีแล้วก็มีประสัญยูตาก็คือกลุ่มทั้งหมดนี่แหละถ้าจะมีความรู้เราก็จะต้องรู้งานด้วย งานที่เราจะไปทำกับเขาเราก็ต้องประมาณนะแล้วก็ ต, วต้องดูกระแสของเขาอะไรต่างๆนานาในรายละเอียดนะแล้วก็แต่ละบุคคลนั่นแหละปฏิสันยุตตาบุคลาโรประปรยุตตามันครอบอยู่ในนี้หมดแล้วยิ่งกับสวอตอีกถ้าเข้าใจสปริซทมเจ็บริบูรณ์กว่าเพราะก็มาจัดการเสียอภิสังขารมาจัดการมาดู มาดูความจริงมาตรวจสอบแล้วก็มาตกลงกันมาตกลงกันให้มันเข้าใจกันนานแล้วก็ดูนานอะไรค่าจะควรจะเพลินจะลดอะไรก็ว่ากันไปแั่นมันก็จะทํางานกันได้อย่างเป็นประสิทธิภาพสูงมันจะมีอะไรนี่แต่เจริญกับเจริญ เพราะงั้จะเห็นได้ว่าสวอตนี่ยังถ้าเผื่อว่าเขาเอัอัดตันยุตาเข้าไปอีกอันหนึ่งเดี๋ยแข็งกว่าสว อ, อีกเยี่ยมว่าสวแต่มันก็มีอยู่ในทีซ่อนอยู่แล้วมันก็มาบอกความความแข็งความอ่อนของแต่ละคนมันก็มีซ่อนอยู่ในนั้นแต่ถ้าจี้ลงไปเลยว่าเนี่ยแต่ละคนรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะนี่คือจี้ก็ไปชัดเลยอัดตันยุตาก็ครบ มันครบอยู่แล้วมันมีตระสตรตั้งวิกเนสอะไรอยู่แล้วเขาแต่ละบุคคลได้อยู่แล้วอ่ะมีอะไรอีกไหมเนี่ยสามทุ่มใครมีมอะไราาเหมือนเดิ ม, มคะใครมีมอะไ ร, รจะเสนออีกใช้เวลาเรียน ตกลงวันที่ส1บเอ็าจะลองคุยกันเอ้าก็ามารวมกันดูพูดกันให้รู้เรื่องหรือจะเป็นวันอื่นก็ได้คะ่ะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าสิบเนี่ไม่มีเรียน11วันวันอะไรวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เอาเป็นวันอื่นก็ได้คะ่ะมี ไ ม, ไม่มีใครมีความเห็นไหมตอนนี้มีความเห็นใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมมีอะไรความเห็นอะไรเอาไม่มีอะไรความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็เอาละเนาะเราก็ก้าวหน้าไปไงี้แหละเราพัฒนากันไปคือเราต้องศึกษาอาตมาบอกแล้วสุดๆ ค, คนเราเกิดมาทําไมเกิดมาศึกษาไม่อื่เคยไม่ื่นหรอกใครไม่ศึกษาก็ดักดานนะ ถูกกระแสยถากรรมมันมุนไปกับโลกียกิเลสนะตลอดกลาลนานถูกกาละเตะทีบคนที่เกิดมาไม่ศึกษากนะ็คือคุณคุณมาเกิดไปเป็นลูกฟุตบอลให้กาละมันเตะทีบเท่านั้นเองใช้กาละไม่เป็นใช้โอกาสที่จะเกิดมาเป็นคนไม่เป็น ได้เกิดมา8ปปีตายเกิดมาให้กาลามันเตะถีบเอากลิ้งป้ายิ่งกับลูกฟุตบอล <c oughs> จริงไหมล่ะ <c oughs> แล้วก็แม่ตั้งหลักบางทีให้เขาเตะถีบอะไรกันนักกันนา <c oughs> เป็นตัวตัวเองมัง่ง <c oughs> อะไรมันควรจะเดินไปตรงไหนอะไรมันแค่กลิ่งไปตรงไหนกลิ่งไปเองมัง่งให้เขาเตะไปเตะมาโอ้ <c oughs> นะอ่ะไปสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้อย่าเดินตาม ใครอยากได้หนังสือเราคิดอะไรเล่มใหม่นะมันรับใ้ที่ตุดมาแล้วอ้าวเราคิดอะไรมาแล้วอ่านดีดโอ้โห